จเจริญพรคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองและญาติโดยสัว์ส่วสนทั้งหลายมีคำถามหนึ่งที่เราในที่นี้เนี่ยคงได้ยิน อ, อยู่ บ, บ่อยๆและาจะเป็นคำถามที่เราถามตัวเราเองด้วยซ้ำนั่นคือว่าเกิดมาทำไม คำถามนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างจากคำถามที่ว่าเราเข้าโรงเรียนทำไมและคำตอบก็คล้ายๆกันด้วย เ, เราเข้าโรงเรียนนะลองนึกภาพสมัยที่เราอยังเป็นเด็กเนี่ยเราเข้าโรงเรียนทำไมหรืแม้กระท่เมื่อเราโตแล้วเนี่ยแล้วเราเข้ามาาหา i ิทยาลั เราไม่ได้เข้าโรงเรียนนะเพื่อจะเอาคะแนนนะแต่เราเข้าโรงเรียนเพื่อที่เราจะได้มีวิชาความรู้มีสติปัญญาสามารถที่จะนาพาชีวิตนะให้ประสบความสุขความเจริญนี่คือ จุดมุ่งหมายของการเข้าโรงเรียนอาตมาเชื่อว่าเราก็เวลาเราพาลูกเข้าโรงเรียนนะเราก็มีจุดมุ่งหมายว่าจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดกับลูกตอนนี้บางนนคนอาจจะแย้งว่าตอนที่ตัวยิงเด็กเนี่ย mm hmm. ก็ไม่รูเ้เรากว่าเข้าโรงเรียนไปทำไมเพราะว่า ไม่ได้ตัดสินใจเข้าโรงเรียนเองนะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยก็รู้แหลแต่เป็นเพราะพ่ อ, พอแม่เนี่ยพาเราเข้าโรงเรียนใช่ไหมเรานี่อยากอยู่บ้านเลยซ้าหรือบางทีก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็นะเขี่ยเขียนให้เรานะมาเรียนหนังสือที่จริง อันนี้ก็คำแย้งนี่ก็มาใช้ได้นะกับการเกิดมาทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจมาเกิดในโลกนี้นะพ่อแม่นะทให้เราเกิดนะอันนี้พูดแบบง่ายๆเราไม่ได้เกิดเองเราถูกทำให้เกิดนะภาษาฝรั่งนี่ชัดมากเลยนะเกิดเนี่ยนะ ก็ใช้ว่าบอสบอลไอวอสบอลไอวอสบอลแปลว่าอะไรท่านถูกท่านถูกทำให้เกิดนะอันนี้มันตรงความเป็นจริงมากเลยนะก็คือว่าคนเราไม่ได <pos ้เกิดเองหรอกนะเราถูกทําให้เกิดนะแต่ถ้ามองง่ายๆก็พ่อแม่ทําให้เกิดนะหรือถ้ามองให้ให้ลึกไปหน่อยนะตามหลักพุทธศาสนาคือว่ากรรมเนี่ยมันทําให้เกิด ในเมื่อเราถูกทำให้เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราเกิดมาทำไมเพราะมันไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราตั้งแต่แรกนะที่จะเกิดมาเหมือ <c oughs> นกับเข้าโรงเรียนนะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดสินใจนะด้วยตัวเองหรือเป็นความตั้งใจของเราเลยเลยนะที่จะเข้าโรงเรียนนะ พ่อแม่เนี่ยพามาเข้าโรงเรียนหรือว่าบังคับเคี่ยวเข็นในซ้ําเนี่ยเราคงนึกจาได้นะวันแรกที่เราเข้าโรงเรียนเรา้เราล้องไห้อัตมายังพอจะนึกออกได้ลางๆเลยนะว่าตอนที่อายุสามสิบปีแล้วพ่อแม่พาเข้าโรงเรียนยแม่เนี่ยแม่พาเข้าโรงเรียนโอ้มีความเรียกว่าเศร้าใจเสียใจที่จะที่ถูกทิ้งไว้ที่โรงเรียน กลับบ้านไปกับแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะตอบด้วยตัวเองได้ว่าเราเข้าโรงเรยียนทำไมเพราะว่าเราถูกทำให้เข้าหรือถูกบังคับให้เข้าแต่เมื่อเราเข้าโรงเรยียนแล้วเนี่ยนะแล้วเราเลือกที่จะเรียนอันนี้ก็เป็นแสดงว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราแล้ว เราไม่ได้ตัดสินใจมาดีก็จริงแต่ว่าเราเป็นคนที่ตัดสินใจว่าเมื่อถูกพาเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเราเลือกที่จะเรียนต่อไปคนที่จะเรียนหนังสือได้ดีเนี่ยเขาก็ต้องมีความชัดเจ น, นว่าเขาเรียนไปทำไมถึงแม้ ว, ว่าเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะที่จะเข้าเรียนแต่ที่ มาเข้าโรงเรียนนะแต่ว่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ก็ควรจะรู้ว่าเรียนไปทไําไมในขณะเดียกันเนี่ยเกิดมาทําไมเนี่ยเราก็อาจจะตอบไม่ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาแต่เมื่อเรามาในโลกนี้แล้วมาอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเลือกที่จะอยู่ต่อไปแล้วควรจะมีจุดมุ่งหมายว่าอยู่ไปเพื่ออนะไร อันนี้เป็นคำถามที่สาคัญกว่าเกิดมาทำไมตอบไม่ได้แต่ว่าอยู่ไปทำไมเนี่ยน่าจะตอบได้นะฮะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเราตอบไม่ได้เพราะว่าเราเข้าโรงเรียนทำไมเพราะมันไม่ใช่เป็นการเรื่องของเราแต่เราสามารถจะตอบได้ว่าเราเรียนไปทำไมทำไมเราไม่ออกจากโรงเรียนทาไมเราไม่นี้เรียนเหตุผลง่ายๆเป็เพราะว่าเรากลัวถูกครูลงโทษกลัวพ่อแม่ลงโทษ แต่สุดท้ายนะเราก็เลือกที่จะเรียนด้วยความสมัครใจของเราเัะว่าไปแล้วเนี่ยการที่เรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยนะจะเรียกว่าเรามาเรียนก็ได้เรามาอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่ต่างจากการมาเรียนหนังสือ แต่ว่าในในโรงเรียนเนี่ยเราเรียนวิชาทางโลกเราเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาาุพิศาประวัติศาสตร์ตอนหลังเราก็เรียนวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์สังคมสารศาสตร์นั่นคือวิชาทางโลกแต่ว่ า, าการที่เรามา อยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็มาเรียนมาเรียนวิชาชีวิตเรียนเพื่ออะไรนะเรียนเพื่อให้ชีวิตเนี่ยเจริญงอกงามเรียนเพื่อที่จะมีสติปัญญาเรียนเพื่อที่จะนำพาชีวิตนะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ ถ้าเราไม่มีเป้าหมายในการเรียนนะเวลาอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมาเทยาลัยเนี่ยการเรียนจะเป็นความทุกข์มากเลยเด็กนักเรียนหลายคนเนี่ยซึ่งอาจจะรวมถึงลูกหลานเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะเขาไม่รู้ว่เรียนไปทำไม <c oughs> แล้วเขาคิดว่าเออเรียนเอาคะแนนแล้วกันนะแล้วเขาก็พยายามที่จะหาทางทำให้ได้คะแนนที่เยอะแต่เพราะเขาได้เกรด ต่ำได้คะแนนน้อยเขาก็มีความทุกข์บางคนถึงกับหาวิธีการสารพัดนะเพื่อจะให้ได้คะแนนมากๆให้ได้เกรดสูงๆอาจจะเป็นเพราะอยากได้รางวัลจากพ่อแม่อาจจะเป็นเพราะรว่ากลัวพ่อแม่ดูด่าว่ากล่าวและหลายคนก็เลือกวิธีทุจริต มีบางคนก็ไปขมโมยสมุดการบ้านของเพื่อนเอามาส่งครูเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ทำรายงานเอาขมโมยเอาสมุดของเพื่อนมาแล้วก็ลบชื่อเพื่อนทิ้งไปแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองแทนเจ้าของสมุดก็เป็นทุกข์กุ้มใจสาวไปสาวมาเพราะว่า เพื่อนขโมยไปเพื่อนขโมยไปทำไม <c oughs> อยากได้คะแนนดีๆอยากได้เกรดสูงๆ <c oughs> บางคนเนี่ย <c oughs> ได้90ปเซนตะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยแก <c oughs> ได้คะแนนสูงนะ90 90กับเปอร์เซต หรือว่าถ้าเป็นเกรย์ก็เนี่ยเกือบสามจุดแปดสามจุดหกแต่ปกฏว่าก็ยังก็ย <c oughs> ังทุจริตในห้องสอนะบมีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนมีชื่อเสียงมากนักเรียนเนี่ยทุจริตในห้องสอบครูจับได้ครูงงมากเลยนักเรียนกลุ่ม น, นี้ที่ร่วมมือกันเนี่ยเขาเป็นนักเรียนเย็นดีถามว่าทุจริตทํำไมบอกว่า อยากได้อยากสอบให้ได้ร้อยคะแนนเต็มเลยหรือว่าอยากได้สี่เต็มเ <c oughs> พราะอาจเป็นเพราะว่าถ้าไม่ได้สี่ก็จะถูกพ่อแม่พ่อแม่ว่ามีพ่อแม่บางคนนะลูกเรียนได้สามเกิดจะสี่เนี่ยพ่อแม่ก็ยังว่าบางคนเป็นนักกีฬา ทำเต็นที่ได้ที่สองเพราะแม้ก็ว่าว่าทําไมไม่ได้ทิ้งอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งอันเป็นเหตุผลเพราะว่าอย า, ยย อ, อยากได้รับคํำยกย่องชื่ออยากได้รับคํำอยากคาสรรเสริญก็เลยรวมหัวกันโกงตุจิเลในห้องสอบเรื่องนี้มันก็สอนนะว่าคนเก่งนี่ก็โกงได้นะ สมัยหนึ่งเคยเชื่อว่าคนรวยที่ไม่โกงนะแล้วเราก็ว่าคนรวยนี่ก็โกงได้คนเก่งก็เหมือนกันนะคนเก่งก็ทุจริตได้อย่าไปคิดว่าคนโง่หรือว่าคนที่เรียนคะแนนต่ำเนะี่ยที่ท่านั้นที่ทุจริตเพราะตากายที่มีความโลภแล้วเนี่ยไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งยันก็พร้อมที่จะทุจริตได้อันนี้เขาไม่เข้าใจนะว่าเรียนไปทําไมคนที่เข้าใจว่าเรียนไปเพื่อเอาวิชาความรู้เนี่ยเขาจะไม่คิด แบบนั้นแล้วก็ไม่เสียใจด้วยซ้ำนะแม้ว่าจะได้คะแนนน้อยว่ า, ารู้จักนักเรียนคนหนึ่งนะเธอก็ตอที่รู้จักกันเธอเป็นนักเรียนมัธยมนะประมาณสมอสามมอสี่รู้จักกันเพราะว่าเธอเป็นมะเร็งมะเร็งที่ที่กระดูกนะที่กระดูกขาเนี่ยแล้วก็หมอคิดว่าคงไม่รอด มีโครงการหนึ่งโครงการชื่อว่าวิชิ่งเวล์นะความปรารถนาครั้งสุดท้ายอยากจะให้คนที่ใกล้าตายได้ได้ได้ทำสิ่งที่เป็นปรารถนาครั้งสุดท้ายบางคนอยากเจอดาราบางคนอยากเจอนักฟุตบอลมีบางคนอยากเจอลีซ อ, อ์นะลีซอนักฟุตบอลสมัยนะั้นมีชื่อมากแต่แต่คนนี้เป็นผู้หญิงนะบอกอยากเจอพระเพสามิสาโลนะ ทางโครงการ น, นี่ก็เลยพามาเลยนะจากพันแก่นจนจนจราสิงห์พามหาธรรมที่วัดแล้วเราก็เลยรู้จักกันตัง้งแต่ตอนนั้นแต่ mm hmm. แปลกนะอยากเจอความปัญนาครั้งสุดท้ายก่อนตายอยากเจอพระไปสารแต่ท้ายเธอก็ไม่ได้ตายนะแล้วต่อหลังมะเร็งก็หาย mm hmm. ตอนที่หมอวัดมะเร็งหนูหายแล้ว mm hmm. เธอก็ไม่ค่อยดีใจนะ mm hmm. หมอก็แปลกใจทําไมไม่ยดีใจ เธอบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันทํำให้หนูนได้พบคนดีๆมากมายได้พบพยาบาลพยาบาลชั้เก่งดีมากเลยได้พบหลายคนที่ดีๆได้พบหมอที่ไม่ไมีเมตตาแล้วรวมทั้งได้พบอัตมาด้วยเธอสึกว่าการที่ถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วมันคงมีอะไรบางอย่างขาดหาย ไ, ไปจากชีวิตมันนะถ้าเป็นคนที่คิดน่าสนใจมากคิดบวกนะว่าเป็นมะเร็งก็ไม่ทุกข์นะเพราะาคิอว่ามะเร็งเนี่ยมัน มันมันพาสิ่งดีคนดีๆมาให้เธอได้รู้จักมีควหนึ่งเธอเล่าว่ามีการสอบวิชาภาษาจีนเนาะอันดีนี้เราก็เรียนภาษาจีนกันแล้วนะในโรงเรียนแมกระทั่งในตากจังหวัดครูเนี่ยเห็นนักเรียนเนี่ยชอบทุจริตในห้องสอบครูก็เลยครู ว, ว่าถ้าจับได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งในห้องเนี่ยทุจริตนะในการสอบ ก็จะหักคะแนนนักเรียนทุกคนนะสิบคะแนนครูแบบนี้แล้วก็ยังมีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยหรืออาจจะหลายคนนะแต่จับได้คนเดียวนะทุจริตก็เลยหักคะแนนนักเรียนในห้องเนี่ยที่ไม่ได้ทุจริต ด, ด้วยเนี่ยโกรธเธอมากนะเธอก็ไปขอโทษนักเรียนที่ทุจริตเนี่ยนะก็ไปขอโทษใครต่อใครทั้งห้องเลยบางคนก็ไม่ยอมให้อภัย ข้อะแนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักเรียนมากนักเรียนที่จู่เเนี่ยก็ไปขอขอโทษยุ้ยนะนักเรียนคนที่ว่านี่เป็นมะเร็งติดชือยุย้ยยุ้ยไม่โกรธนะยุ้ยไม่โกรธเลยเธอก็แปลกใจว่าทาไมทำไมยุ้ยไม่โกรธยุ้ยก็บอกว่าครูนี่นะ เอาคะแนนไปจากฉันได้แต่ไม่สามารถเอาความรู้ไปจากฉันเพราะฉะ น, น, นั้นครูตัดคะแนนสืคะแนนฉันก็เฉยๆเพราะว่าฉันได้ความรู้แล้วนะอันนี้คือคนที่เข้าใจนะเข้าใจเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยเพราะเมื่อเขาเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยคะแนนจะมีความหมายน้อยลงแม้จะถูกตัดด้วยเหตุด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยเธอก็ไม่โกรธเธอก็ไม่เสียใจคะแนน ครูตัดได้ครูตัดได้เพิ่มได้นะแต่ความรู้เนี่ยครูไม่สามารถจะตัดได้ไม่สามารถเอาไปจากชั้นได้ความรู้เนี่ยเน่ยถ้าเราเนี่ยนะถ้าลูกหลานของเราเนี่ยเข้าใจว่าเรียนไปทําไมก็จะมีความสุขกับการเรียนมากการสอบจะกลายเป็นเรื่องที่การสอบหรือการบ้านจะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย ในทางเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ไปทําไมเนี่ยไม่รู้จุดมุ่งหมายชีวิตคืออะไรหรือไปตั้งเป้าหมายชี ว, วิตแคบๆสั้นๆ เ, เขาก็จะไม่มีความสุขกับการดําเนินชีวิตแต่ที่ตั้งเป้าว่าเรียนเพื่อเอาคะแนนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อมีความสุขชั้งใดเนี่ยผู้ใหญ่ที่ตั้งเป้าว่า อยู่ไปเพื่อที่จะร่ำรวยมีชื่อเสียงมีเงินทองเนี่ยก็คงยากที่ก็จะมีความสุขแต่ถ้าคิดว่าชีวิตเนี่ยเราอยู่เรามีเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราเพื่อได้เกิดสติปัญญาเพื่อที่จะได้ให้เข้าถึงประโยชน์สุขแห่งการเป็นมนุษย์นะ แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีความหมายมันจะมีคุณค่าและมีความสุขได้ง่ายด้วยการที่เราจะอยู่ในโลกที้ได้อ่าหาสุขเนี่ยนะวิชาทางโลกเนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะ ต้องมีวิชาชีวิตด้วยและเรามาในรุ่นนี้ก็เพื่อเรียนวิชาชีวิตให้นะให้ดีที่สุดและถ้าเราเข้าใจว่าเราตระหนักว่าจุดมุ่งหมายของการดำรงอยู่นะ ก็คือการที่เรียนรู้ในเรื่องชีวิตแต่งแจ้งในเรื่องความเป็นไปของชีวิตความสุขจะกลายเป็นเรื่องง่ายเวลามีความทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิต ความเจ็บป่วยความแก่ชราคำต่อว่าด่าทอศูนย์ทรัพย์เสียเงินนะซึ่งหลายคนมองว่าเป็นครอบกรรมแต่คนที่เข้าใจเรื่องวิชาชีวิตเนี่ยก็จะตระหนักเลยว่าอันนี้คือการบ้านของชีวิตเรียนตั้งสือเนี่ยนะในโรงเรียนก็ต้องมีการบ้านใช่ไหมฮะ และการบ้านเนี่ยมันก็มีการบ้าแบบการบ้าแบบง่ายๆนะเช่นคะัดลายมือนะหรือว่าคัดประโยคคัดข้อความประมาณสิบจบร้อยจบเนี่ยนะอันนี้เราใช้ความคิดนะใช้ความเพียรไม่ยากอะไรแต่การบ้าบางอย่างมันควรจะยากนะพอท า, างง่ายๆเนี่ยสติปัญญาก็ไม่งอกเงย โรงเรียนที่ที่เขาเรียกว่าแข่งนะมีโรงเรียนที่แข็งเนี่ยนะหมายถึงว่าอาสอนให้นักเรียนฉลาดเนี่ยเนขะามักจะให้การบ้านนักเรีย น, นยากๆและเด็กยิ่งเก่งเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งควรจะได้รับการบ้านที่ยากๆมากขึ้นเพราะการบ้านมันทำให้เด็กเนี่ยมีความ เข้มแข็งในทางสติ ป, ปัญญาสามารถที่จะแก้โจทย์ที่ยากกว่าเดิมได้ดีขึ้นจันไหนก็ฉันนั้นเนี่ยในวิชาชีวิตเนี่ยนะซึ่งควรเป็นจุดุ่งหมายที่เราร่ำเรียนนะให้ดีเนี่ยมันต้องมีการบ้าง และความทุกข์เนี่ยความไม่สมหวังเนี่ยมันคือการบ้านของชีหลายคนมองว่าเป็นครอบกรรมถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าจบเพตุไปเลยนะเพราะว่าพอใจไม่สู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะระดมสติปัญญานี่มาเพื่อมันแก้ได้นักเรียนที่เจอกันบ้านแล้วก็แพ้ตั้งแต่แรกเลยนะ แล้วก็ด่าครูว่าทําไมให้การบ้านยากๆเนี่ยไม่มีทางเจริญเลยนะเพราะว่าเขาใจเขาไม่สู้ต่างแต่แรแล้วเขาก็มีคิดที่จะรวบรวมกําลังสติปัญญาเพื่อที่จะาหาทางที่จะตอบโจทย์นั้นให้ได้แต่นักเรียนที่ใจสู้นะออยากก็ยากเราก็จะปลูกปั้มกับมันการบ้านยากๆไงเราก็จะปลูกปั้มกับมันเนี่ยแล้วเรื่อนั้นก็จะฉลาดคะแนนดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเขาจะ ม, มีสติปัญญาแก่กล้า มีความอดทนมีความเข้มแข็งในจิตใจมีความเพียรพยายาม เ, ยยาเราควรมองว่าความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยใช่ว่าผ่านนะเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวอะไรที่ผ่านมามันก็ต้องผ่านไปความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะมันคือการบ้าสำหรับวิชาชีวิต ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะเราจะตั้งสติและเราก็จะหาทางที่จะทำการบ้านนี้ให้ดีที่สุดไม่เอาแต่ทอแท้ทอถอยหลายคนที่พอป่วยเนี่ยก็จะอดครวนทำไมต้องเป็นชั้นเจ้าศาททำความดีมาเจ้าศาธทาบุญให้ทั้นทำไมต้องเป็นชั้น บางคนเจอการงานล้มเหลวเป็นนี้เป็นสิน์มากมายก็ตีโพดตีพายบางค น, นงกับจะค่าตัวตายเพราะเขาคิดว่ามันคื อ, อครอกกรรมเขาไม่ได้คิดว่ามันคือการบ้าที่ถูกส่งมาเพื่อที่จะทำให้เราเข้มแข็งคำต่อว่าดาทอก็เหมือนกันนะ มันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยนะเราต้องเห็นเราต้องเห็นว่ามันมีประโยชน์นะเราถึงจะสามารถจะรับมือกับมันได้นักเรียนที่ไม่รวกการบ้านไว้ทำไมเนี่ยนะเขาก็จะหาทางหาทางโกง อาจจะไปคัดลอกการบ้านจากเพื่อนอาจจะไปก๊อฟมาจากกูเกิลเขาไม่รู้ว่ามันมีใบคลื่ออะไรเขาจะา้อเป็นยาขมสุดท้ายก็ไม่ได้ความรู้ก็จบออกมาแต่เขาก็ไม่มีวิชาการมากพอนนะในการที่จะไปเรียนต่อหรือว่าในการดาเนินชีวิตซึ่งมีอุปสรรคความยากลำบากต่างๆมากมายกว่าที่ เขาต้องเจอจากการบ้านในโรงเรียนคนเราเนี่ยนะพยายามควรจะมองนะให้เห็นนะว่าในความทุกข์ที่เกิดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยนะมันรู้แั้แต่มีประโยชน์มันมีอะไรที่จะสอนใจเราได้เยอะเลย มันช่วยทำให้เราเข้มแข็งมันช่วยทำใเราเกิดสติปัญญามีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ขาอนารยโยท่านยังมีชีวิตยอยู่นะท่านอยู่วัดถํากองเองที่วันนี้เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งนะที่อแม่ชีสาอายุก็มากแล้วแต่ก็ไม่มากเท่าหลวงปู่ขาวแม่ชีสาเนี่คนที่ชอบอุปถัมภ์ พระเนนขยันแต่ขณะเดวการการปฏิบัติก็ดีด้วยนะหลวงผู้ข้าวก็ชมนะว่าปฏิบัติได้ดีวันนึงก็สั่งให้พระเนี่ยสองูปเป็นลูกศิษย์เนี่ยไปด่าแม่ชีสาเพื่อทดสอบว่าแม่ชีสาเนี่ยได้มีความโกรธลงเหนือ้ากน้อยเพียงใดพระทั้งสองลูกท่านก็รับอาสาไป ไปที่กุฏิม่ชีสาแล้วก็ขุดคําด่าสารพัดเนี่ยมาประเคนให้กับแม่ชีสาไม่ใช่เรียกงงนะแต่ว่าก็พันตมือแล้วก็รับฟังคําด่าด้วยการยิ่งสงบพรนะะอาจารย์ทั้งสองท่า น, นก็ดูด่าว่าการจะจบไม่รู้จะว่าอะไรแล้วแม่ชีสาแทนที่จะโกรธนะก็ถาม ขึ้นว่าเนี่ยพระอาจารย์ดูดาเสร็จแล้วเหรอนะดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินที่ท่านดาน่าเนี่ยนะมันเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยข้าวหน้าขอให้ด่ายนะจะได้ขูดกิเลส ด, ดิฉันคนเราเวลาถูกด่านี่นะเราต้องก็จะโปรธนะเรามักจะออตอบโต้หรือว่าบางทีก็อาจจะน้อยเนื้อต่ำใจ ทำไมเราทำดีอย่างนี้ทำไมป็นตูดาว่ากาวทำไมครูบาจารยเ็นความดีของเราหรือไม่ก็โทษโน่นทนนี่แล้วก็เจ็บปวดแต่แม่ชีสารเนี่ยกลับมองว่าคำด่าเนี่ยมันเป็นธรรมะมันช่วยขูดกิเลสได้อันนี้นะถ้าเรามองว่า คำดาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาฝึกใจเรานะมันก็ทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะนะรับมือกับมันได้ด้วยใจสงบแล้วเราก็ไม่ทุกขนะ์มันคือการบ้านอย่างหนึ่งนะที่มาฝึกเราใหนะ้มีความรู้มีความสามารถนะในวิชาชีิตมากขึ้น แต่ที่จริงแล้วคำดูด่าว่ากล่าวเนี่ยนะมันยังเป็นการบ้านที่เรียกว่าเล็กน้อยนะแต่คนสมัยนี้เนี่ยทนได้ยากอย่าว่าแต่คำดูด่าว่ากล่าวเลยนะเพียงแค่เพื่อในกดไลน์ให้เนี่ยก็ทุกแนละ้วทีนี้ลูกหลานเราเนี่ยเป็นมีเยอะนะอัปอัอัอออโหลดรูปหรืออัปโหลดหรือเขาเขียนคอมเมนต์อะไรไปในขึ้นเฟซบุ๊ก เพื่อไม่กดไลค์ต้องโทรไปตามเพื่อนเข้าไปส่งไลค์ไปบอกเพื่อนว่ากดไลค์ให้หน่อยหนึนี่ขนาดไม่กดไลค์นะถ้าคอมเมนต์ว่าเนี่ยโหยิ่งแย่ yeah, อยู่เลยแล้วเด็กเดี๋ยวนี้นี่อ่อนแอนะมใส่ว่าไปก็อ่อนแอก็ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็สอนเข้ามาอย่างนั้นพอถูกอันเฟรนเนี่ยนะพอเพื่อนรวมหนะัวกันอันเฟรนนะโอ้เด็กคนนี้นี่เด็กบางคนนะ จะทนไม่ได้นะค่าตัวตายเลยนะเด็กที่ถูกอันเฟรแล้วค่าตัวตายนี่ก็มีไม่น้อยรว่าถูกด่าเรือเป็นบูลลี่นะบูลลี่ก็คือว่าแทนที่จะทำร้ายกันทางร่างกายก็ทำร้ายกันในทางคำพูดผ่าน a c e b o o k ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเด็กก็รู้สึกแย่มากเด็กอาจจะเป็นเด็กที่เรียนดีอาจจะเป็นเด็กที่หน้าตาสาดสวยเด่นกับเพื่อนจนเพื่อนเหมอนที่หน้า อิจฉาเลื่อยเป็นเด็กที่อ่านิสัยไม่ดีก็ได้นะมีหลายแบบแต่ลงเอยท้ายกันคือว่ากุ้มอกกุ้มใจมากซึมเศร้าจากนกระั่งบางคนเนี่ยข้าตัวตายหรือพยายามข้าตัวตายเพราะนะความเห็นเพราะคำตำนิติเตียหรือคำต่อวบาดทะยภแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยนะเรื่องนี้ ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่ามันมีอะไรที่ใหญ่กว่า น, นี้เยอะที่เราต้องเจอแต่ถ้าเรามองว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยคือบททดสอบคือการบ้าน ท, าที่เราต้องที่เราต้องทําสําหรับการเรียนในวิชาชีวิตเนี่ยเราจะไม่เอาแต่ที่โพสต์ไฟล์เราพยายามที่จะหาประโยชน์จากมันให้ได้ มีผิชายคนหนึ่งนะอายุก็ยังไม่มากแต่เป็นช่างแล้ววันหนึ่งเนะี่ยปรากฏว่าไฟช็อตนะช็อตที่ขาไฟอย่างแรงเลยนะ2 2อยวี่สิบโหรืออาจจะอาจจะสูงกว่านั้นนะต้องตัดขาทั้งสองข้างเลยที่การตลอดชีวิตแค่นี้ก็หนักแล้วนะปรากฏว่าไม่นานนะภรรยาก็ทิ้ง ไปลองคิดดูนนเนี่ยนะ เ, เราสาธทธาบุญทากุศล น, นะทำความดีมาแต่แล้วต้องเสียขาและในยามนี้ยามยากเนี่ยแทนที่จะภรรยาจะดูแลก็ทิ้งไปหลายคนถ้าเป็นตัวเองเนี่ยประสบแบบนี้คงจะคิดแบบนี้ก็มีคนหนึ่งไปถามผู้ชายคนนี้ว่ารู้สึกอย่างไรนะที่ภรรยาทิ้ง แกบอกไม่รู้สึกอะไร เ, เพราะว่าคุณคิดดูนันแม้กระทั่งขาวของผมได้แท้มันยังทิ้งผมไปเลยและจะจะไม่มีทิ้งได้ยังไงแกรู้สึกทุกเลยนะอันนี้เรียกว่าวิชาช่วงแกเนี่ยน ะ, ะพัฒนามามามาได้เยอะทีเดียวหรืออาจแกจะคิดว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกเนี่ยนะ มันเป็นบททดสอบก็ได้การที่เขาสูญเสียขาเนี่ยนะรบหรับบางคนเนี่ยนะถือว่าเป็นครอบกรรมถือเป็นความสวยนะแต่คนที่ฉลาดเนี่ยอย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มองอย่างนั้นแต่เขามองว่ามันได้ให้อะไรกับเขา มันได้สอนเพราะว่าแม้แต่ขาเนี่ยมันยังไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่ขานี้เนี่ยนะอยู่กับมันมาหรือมันอยู่กับเรามานา น, นมันยังไม่ใช่ของเราเลยวันดีคืนดีมันก็จากเราไปและพอเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนะพอภรยาทิ้งแกก็ไม่รู้สึกอะไรอาจจะรู้สึกบ้างก็มันบุตรชนนะแต่ว่า เมื่อเห็นความจริงว่ากระทช่างขามันไม่ของเราเนี่ยก็ะจะมีอะไรที่เป็นของเราอีกนางช่างขามยังทิ้งเราเลยแล้วมีอะไรที่จะไม่ทิ้งเราบ้างวันก่อนไปไปไปอบรมที่ที่เพชรบุรีนะเรื่องปเผชิญอับตาสงบแล้วก็มีช่วงนี้ก็เชิญทาปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะชื่อคุณนะกิ๊กนะมาดูลิน เธอก็มามามามาบรรยายเนี่ยนะเสร็จแล้วเธอก็พูดถึงเนเรื่องความความความให้เทียมความสูญเสียแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยมันมีคาถาหนึ่งนะที่อยากจะแนะนำทุกทผู้ที่มาอบรมแล้วเธอก็บอกทุกคนนีให้พนมมือนะแล้วก็ว่าตามว่าตามกิ๊กนะสักวันมันต้องทิ้งฉันไปนะ ให้ท่องไปนะมันเนี่ยอาจจะเป็นแฟนก็ได้นะอาจจะเป็นขาก็ได้อาจจะเป็นความสวย จ, จะเป็นความความสาวก็ได้นะให้คาถาที่ดีนะสักวันมันต้องทิ้งฉันไปหรือสักวันมันต้องทิ้งกูไปเนี่ยนยะท่องเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้เรานะมีความแก่กล้านะในวิชาชีวิต และเมื่อเรามีความรู้ในวิชานี้เนี่ยนะเราก็จะสามารถทำการบ้านที่ยากๆต่อไปได้มากขึ้นทุกวิชาเนี่ยนะสุดท้ายก็ต้องมีการสอบ ใช่ไหมฮะไม่มีวิชาไหนที่มันมีสอบอเล่นว่าเล่นแต่ว่าเป็นวิชาที่ไม่ได้ตั้งใจจะสอบหรือตั้งใจจะเรียนกันจริงจังแต่ในโรงเรียนในมัาทยาลัยเนี่ยการสอบเป็นส่วนหนึ่งนะของวิชาทุกวิชาวิชาช่วยเหมือนกับกระบวการต้องมีการสอบและการสอบก็มีหลายาระดับนะนะสอบกลางเทอมสอบ สอบนะตัวทั้งนึงสอบไล่ที่ชาชวิตนี่มีการสอบไล่นะสอบไล่เมื่อไหร่ฮะสอบไล่วันที่เราจะละโลกนี้ไปตอนที่เรากลังจะตายเนี่ยนะความตายนี่แหละคือคือบททดสอบสุดท้ายหรือการสอบไล่ สอบไล่เนี่นะมันไล่จริงๆนะคือถ้าสอบตกก็ไปอบายสอบได้ก็ไปสุกตินะที่จริงเนี่ยอบายอบายหรือสุกติเนี่ยมันมาถึงได้แต่ตอนที่ยังไม่หมดลมนะก็ถือตอนที่ใกล้จะตาย ตอนที่อยู่ในห้องไอซนะตอนที่อยู่ในโรงพยบาบาลเนี่ยบางคนเนี่ยกนะ็ไม่เคยเตรียมใจไม่เคยสนใจเรียนวิชาชีิตเลยนะพอ ป, ป่วยหนักก็ทุรนทุรายกระสับกระสายอันนี้เลยว่าทุกติมันมาตั้งแต่แ้วไม่ตายมันก็ตกนรก และถ้าตายในอารมณ์ในความะฉะันนี้นก็ไปจริงมันเป็นการสอบไล่เพราะว่ามันไล่จริงๆนะสอบไล่ในในโรงเรียนนี่นะสอบไม่ได้ก็ซ้ําชันใช่ไหมฮะซ้าชั้นแต่ว่าในวิชาชีวิตเนี่ยสอบไล่คือไปจริงๆแนละ้วไม่มีซ้ํานะไม่มีกลับมาสอบใหม่สอบครั้งเดียวนะสอบ ในทางโลกเนี่ยนะมันยังสอบแล้วสอบอีกได้นะสอบเข้าหมายไรไม่ได้ก็สอบใหม่สอบสมัครงานไม่ได้ก็สอบใหม่สอบใบออกคิมไม่ได้ก็สอบใหม่แต่วิชาชีวิตเนี่ยสอบอะไรเนี่ยนะไม่มีการแก้ตัวถ้าตกก็ตกเลยนะคืออบายสถานเดียวถ้าได้ก็ก็ไปโลด และบททดสอบครั้งสุดท้ายเนี่ยหรือว่าการสอบไล่เนี่ยมันจะยากกว่ามันจะยากกว่าการสอบทั้งมวลก่อนหน้านั้นมันจะยากกว่าการบ้านทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเพราะตอนที่เราจะตายเนี่ยหรือตอนที่เราตายแล้วเนี่ยนะพอที่เราจะตายมันมีความทุกข์โวทนามาก ความทุกขเวทนาที่เราเคยเจอบางคนบอก ว, ว่าเนี่ยทุกขที่สุดปวดที่สุดมัคือตอนคอลอดลูกถ้าให้คะแนนก็ให้เป็นศิเลยนะในหลายโรงพยาบาลเขา ก, ก็เวลาจะให้คะแนนความปวดเขาก็จะบอกผู้ปว่วยทีเป็นผู้หญิงว่าเนี่ยไอ้ปวดตอนคอลอดเนี่ยให้ถือว่าเป็นศิษยนะและไม่ปวดเลยคือศูนย์เนี่ยตอนนี้ปวดขนาดไหนสามสี 3, 4, 5, 6, นะ่ห้าเจ็ด แต่ถ้าที่อาจามามีประสบการณ์ของใกล้ตายนะตอนที่เกิดทุกขเวทนาเนี่ยนะในตอนใกล้ตายเนี่ยหลายคนเนี่ยมันมากกว่าสิบมันมากกว่าตอนที่ปวดขณะคลอดตอนที่ใกล้ตายเนี่ยนะหรือตอนที่จะตายเนี่ยมันมันความมันเป็นความทุกขนะ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเคยเจอเพราะว่าปวดก็ปวดที่สุดและสูญเสีย ก็สูญเสียที่สุดคือสูญเสียแบบไม่เหลืออะไรเลยนะความสูญเสียบาอย่างเราในชีวิตความสูญเสียที่ผ่านเข้ามาในช่วงเราเนี่ยนะเราไม่เคยสูญเสียหมดนะแม้บางคนจะล้มละลายแมะบางคนจะถูกยึดบ้านแต่คุณก็ยังมีพ่อมีแม่มีลูกแล้วทีมาคุณก็ยังมีลมหายใจคุณยังมีวันนี้แล้วคุณอาจจะมีพรุ่งนี้ ความสูญเสียของเราเนี่ยนะที่เกิดขึ้นทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันหนักหนาเท่าความสูญเสียตอนจะตายตเพราะว่ามีร้อยก็หมดร้อยนะทั้งรูปธรรมและนามธรรมในเมื่อเนี่ยมันมี มันมีบททดสอบที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่เนี่ยถามว่าเราเตรียมอไบ้างรอย่างทจริงเนี่ยก่อนที่จะสอบเนี่ยเขาก็มีการบ้านให้เราทำนะมีบททดสอบหมาให้เราเรื่อยๆนะชีวิตนี้มันไม่ได้โหดร้ายขนาดที่เราว่าดีๆก็สอบเลยไม่ใชนะ่เขาให้บททดสอบเขาให้การบ้านให้เราทำ มาเป็นระยะระยะยแล้วนะการบ้านคืออะไรนั่นะก็คือนี่แหละถูกต่อว่าตอทนะหรือว่าถูกเพื่อนกองเงินงานไม่สำเร็จลูกนะทำตัวไม่ น, าน่ารักนะรถติดนน่นขนาดน้ำท่วมไอ้พวกนี้คือการบ้านของชีวิตนะสํสำหรับวิชาชีตที่ผ่านเข้ามา ถ้าเรารู้ว่าเราต้องไปเจอกับบททดสอบที่หนักหน า, หนาสาหักนะอาตมาช่วาเราจะจะอยอมรับนะหรืออ้าแขนรับไอ้ความทุกข์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเราจะอ้าอ้าแขนรับการบ้านยากๆนะที่มาให้เราได้ทำ เราจะพยายามใช้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์เช่นพยายามที่จะหาให้ได้ว่ามันกำลังบอกอะไรเรามันกำลังสอนอะไรเรา มันกำลังสอนให้เราเข้มแข็งมันกำลังสอนให้เรารู้จักปล่อยวางมันกำลังสอนเรามีสติรหรือเปล่าเช่นเงินหายเ น, นี่ยนะอาจจะสอนเราได้ตั้งหลายอย่างสอนให้เรารู้จักปล่อยวางก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่วางเนี่ยเราจะไม่เสียแต่เราจะไม่เสียแต่ของ <scanning> ไม่เสียแต่ไม่เสียแต่เงินใจก็จะเสียเสียเงินเนี่ยนะก็หาใหม่ได้แต่ใจเสียดีบางที จะทําให้มันกลับมานี่ก็ยากใจเสียเสียใจนัน่นแหละนะเสียใจไม่พอนะสุขภาพก็เสียกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกโกงไปเป็นแสนเป็นล้านกูุ้่กุ้มใจนะมีครูคนหนึ่งโดยโกงไปเป็นแสนนี่แกไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ยอมไม่ยอมพักเลยแม่ให้แม่ก็บอกให้กินข้าวแต่แม่ก็บอกให้นอนแล้วก็ไม่ยอมกินมันก็จะประชดชีวิต ก็เลยไม่ว่าตกลงเธอรักเงินหรือรักชีวิกันแน่หรือรักตัวเองกนแน่หลายคนบอกว่ารักตัวเองนะแต่ก็มากเกินทลายตัวนอ้วิธีนี้แหละพอลึกๆเนี่ยไปรักเงินมากกว่าพอเสียเงินก็เลยไม่อยากจะอยู่แล้วหลายคนรักบ้านหลายคนรักรกรถยนต์พอจะถูกดึดรถเดินจะถูกยึดบ้านนี่ฆ่าตัวตายแสดงว่ารักรถรถยนรักบ้านมากกว่ารักตัวเองแต่จริงก็ทุกคนก็รักตัวเองนะแต่ว่ามันเสือี่ย เขปล่อยว่าไม่เป็นเนี่ยพอเสียเงินเข้าก็เลยเสียใจเสียแล้วก็เสียสุขภาพเสียแล้วก็ไม่มีสมาธิทํางานก็เสียงานเจาน้านายก็ว่าเพื่อนกระ บ, บุลพอเพื่อนบนพอเพื่อนบน น, บ น, นะก็โกรธเพราะว่าความหงุดหงิดที่ความเครียดที่มาสะสมมาก็ด่าเพื่อนเสียเพื่อนอีกแล้วบานก็เสียผู้เสียคนด้วยนะ เมื่อสามสี่เดือนก่อนแล้วมันมีถ่ายคลิปมีการเอาคลิปที่ถ่ายที่ประเทศจีนนะไม่รู้ถ่ายมาได้ยังไงนยในห้างสรนะรพสินค้าสามีกับภรรยาหรือว่าแฟนหญิงสาวกับชายหนุ่มกำลังเถียงกันข้อที่บายว่าเนี่ยผู้หญิงอยากได้ iPhone 6s plus สามีไม่ยอมนะเธอก็โกรธเธอก็ไม่พอใจอยางเอาชนะสามีแล้วเธอก็เริ่มนะถอดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงสามีก็ยังเฉยอยู่เธอก็ถอดยกทรงแล้วเธอก็ถอดเจนหนยแล้วก็ยืนอยู่นั้นแหละเหมือนกับว่า เ, เธอต้องซื้อให้ฉันนะ พอถ้าเธอไม่เสื้อชั้นที่ชั้นไม่ใส่นะเสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่สนใจนะทำทีเหมือนกับไม่ไม่ไมดันของคอก็เดินไปผู้หญิงก็เดินตามเนี่ยคนที่ผ่านไปผ่านมาก็งงนะก็มีอาม่าคนหนึ่งนะสงสารก็เลยหยิบเสื้อไปให้ผู้หญิงบอกว่านี่ใส่ซะผู้หญิงก็คงได้สตินะเวลาจรู้สึกว่า วิธีนี้ไม่ได้ผลเธอก็เริ่มเริ่มใส่เสือ้อใส่กางเกงโดยที่เธอไม่รู้ว่าเนี่ยมีคนถ่ายคลิปแล้วก็คลิป้นก็แพร่ไปทั่วโลกนะก็เรียกว่าเสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้เ่ยอันนี้เพราะว่าการที่ไม่ยอมรับหรือว่าการที่ทำใจไม่ได้ไม่รู้จักปล่อยว า, าเยี่ยครับเธอว่า แต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราฉลาดเนี่ยนะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเช่นเสียของเนี่ยเราก็้องมองว่าเออเขามาฝึกให้เราปล่อยวางนะเขามาฝึกให้เราเขามาสอนให้เราเนี่ยรู้จักรู้จักะระมัดระวังนะเวลาจะวางกระเป๋าเนี่ยนะก็ให้มีสตนะิเมื่อมันถายไปมีคนหยิบไป โกรธได้แต่อย่ากโกรธนานนะให้ถามว่ามันกําลังสอนอะไรเราหมอว่ามันคือการบ้านนะที่เราต้องแก้โจทย์ให้ได้ว่าเราได้อะไรจากมันบ้าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาชี้งเราเนี่ยไม่ว่าบวกดูลบเนี่ยดูแลแต่มีประโยชน์ดูแล้วแต่เป็นการบ้านที่สอนใจเราหรือฝึกใจเราได้ทั้งหมด การบ้านบางอย่างก็หนักนะมีชาวกรีกคนหนึ่งชื่อแกชื่อโรเจอร์นะอายุตั้งหกสิบกว่าจอห์นโรเจอร์วันหนึ่งแกก็เดินเล่นอยู่หน้าบ้านนะแถวบริเวณหน้าบ้านอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนีนะ่ยมาชนเธอมาชนเข้าข้างหลังจนล้มเลยทีแรกเขาเนื้อเพื่อนเนี่ยมาล้อเล่นก็ยังลึกใอจในใจมันมันเล่นหนักงนะ หันหน้าไปผมไม่รู้อยากพิมกันนี้เลยแล้วพิ่กันนี้เนี่ยพอเขาล้มลงเธอก็เอามีดเนี่ยมีดครัวหรือมีสปาตาเนี่ยแทงกุญแจเนี่ยสามสิบสี่สิบแปลนะทั้งที่ตําตัวทั้งที่แขนทั้งที่ขาเสร็จแล้วก็ทิ้งให้แกนอนจมก อ, องเลือดโชคดีมีคนเห็นทันพาสมธิบาะได้ทัน ก็เลยรอดตายต่อมาก็จับผู้ิงคนนั้นได้ก็เลยได้ทราบว่าเธอเนี่ยในช่วงสีวันที่ผ่ามาเธอฆ่าคนไปแล้วเนี่ยสามคนด้วยการแทงอีกสามคนสาหัสและวึงในสามคือจอนโรเจอร์นี่ยนังสือพิมก็ไปถามแกว่ามีอะไรอยากจะบอกพู้หญิงคนนี้ไหมตำรวจจับได้แล้วเธอก็บอกว่าอยากจะ ถามเธอว่าเนี่ยทำกับผมทาไมคือแกไม่มีน้ําเสียงของความโกรธไม่มีน้ําเสียงของความความความโมโหหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเอเนี่ยนะสวยมาเจอข้อกรรมอะไรอย่างนี้เลยแล้วข่าวถามต่อไปว่าแล้วเธอแล้วคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างไหมแกบอกว่ามันทําให้แกได้คิดว่าวันหนึ่ง ตอนเช้าเชเนี่ยเดินเล่นอยู่หน้าบ้านอาจจะมีรถเม์เนี่ยมาทับแกตายก็ได้อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้เหตุการณ์ที่นี่สอนแกนว่าอะไรๆะก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทำสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่วันนี้คือจะมาว่าถูงแม่แกไม่ใช่ชอบพูดนะแต่ว่าแกรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ แต่การณ์ที่มาสอนแกว่าอย่าประมาทมันสอนแ ก, ว, ก, นนแกว่าอะไรแล้วก็เกิดขึ้นนะเพราะเนี่ยต้องเร่งทําความดีแต่วันนี้นี่ก็เป็นการบ้านอีกอย่างหนึ่งนะแต่บางคนพอเจอการบ้านนี้แล้วเนี่ยงงนะว่าเฮ้ยมันต้องการบอกอะไรเราเอาแต่บนว่าการบ้านยากทําไมทําไมส่งการบ้านยากยาๆให้เราแบบนี้เสร็จเราก็หาทางโกหาทางหาทางจุดจริต เวลาเจอแบบนี้ลองตั้งสตินะแล้วก็ดูว่ามันกำลังบอกอะไรเรามันกำลังสอนอะไรเราและถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันทำให้เรานะมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญานะที่จะรับมือนะกับการบ้าน ย, นยากๆที่จะมา มากกว่า น, นั้นและถึงสุดท้ายเนี่ยนะเ <c oughs> มื่อถึงเวลาที่จะสอบไล่ <c oughs> ก็สามารถจะสอบผ่านไปได้คนที่เขานะไม่ปนตีโปรตีพายคนที่เขารู้จักปล่อยวางเขารู้จักทำใจนะถึงเวลาที่เขาเจ็บป่วยด้วยโรคร้รายซึ่งเป็นความเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยก็ <c oughs> ป่วยกายก็จริงนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้ เพราะเขาได้รู้จักทำใจที่อยากฝึกใจเขาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิตเขาฝึกการยอมรับเขาฝึกการยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้โดยไม่เอาแต่อดครัวตีโลตพลตีพายบางคนจะรู้สึกว่าเออเรายังยังยังยังทำใจไม่ได้หลายคนก็อาจจะ ตัดสินว่าเงินร้อนต้องไปปฏิบัติธรรมต้องไปทําต้องไปภาวนาให้มากขึ้นถูกดา่าแล้วเรายังโกรธอยู่นะบางคนคิดแต่ว่าจะถาทางตอบโต้อย่างไรแต่ลืมไปว่าไอ้ความโกรธมันเกิดขึ้นเพรใจเราบางคนเขาเห็นนะว่าเสียงด่าไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ใจเราอย่างแม่ชีสาเนี่ยนะเสียงด่าทําอะไรไม่ได้เลยนะทําอะไรไม่ชีสาไม่เพราะว่าใจไม่ชีสาเนี่ยเป็นนิ่งแล้วแกรู้จัก มองทุกอย่างว่าเป็นธรรมะบางครก็รู้นะว่าเออเราต้องฝึกใจเราแล้วนัว้นก็หันไปหาการภาวนานะการภาวนานี่ก็เป็นก็เป็นก็เป็นการถึกขัดในสำหรับวิชาชีพเหมือนกันนะภาวนาม่าจะเป็นภาวนาการเจริญสติการทำสมาธิเมื่อภาวนานะเมื่อภาวนาอยู่เนืองๆแล้วก็ทำให้รู้จักนะ วางจิตวางใจได้วางจิตวางใจได้ถูกมีเสียงมากระทบนะใจก็ไม่กระเพื่อมนะเป็นป ก, กติได้จริงการภาวนาเนี่ยมันจะเป็นมันจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในในเรื่องชีวิตหลายอย่างนะรวมทั้งการได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไร สิแ่แย่ๆจขึ้นกับเราแต่ถ้าเราวางใจเป็นวางใจถูกเราก็มีความสุขได้ถึงแม้เสียขาไปถูกแฟนทิ้งไปก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่ได้เรียนในวิชาชีวิตเลยนเรียนแต่เรื่องทางโลกมาเรียนแต่วิชาทางโลกเนี่ยเจอ น, นิดเจอนหน่อยก็ไม่ได้ก็ทุกข์อย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเพื่อไม่กดไล้์ให้ก็ทุกข์หลายคนที่ทุกข์เนี่ยนะเรียนเก่งได้สี่ นะวิชาโลกเนี่ยเก่งแต่วิชาชีวิตเนี่ยตกเพราะอะไรเพราะว่าไอ้คําตอว่าดาทอมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกประธรรมแปดนะซึ่งหมายความว่ามันเป็นธรรมดาโลกโลกประธรรมแก็คือได้ลาบได้ยศสารเสริญสุขกับเสื่อมลาบเสื่อมยศนิทาและปทุเรียนวิชาทั้งโลกแต่ไม่เรียนวิชาชีวิตเลยนะ ไม่รู้เรื่องโลกธรรมแปลเลยเนี่ยนะมีแต่ทุกอย่างเดียวนะส่วนหนึ่งเราเรียนได้จากประสบการณ์ชีวิตนะแต่อย่างที่บอกหลายคนก็ไม่ไม่รู้จักเรียนเลยคนระับเปิดเซเล่นฟซบุ๊กทีไลนีน่ก็สอบตกหรือว่าเพียงามทุกทีมีแต่ความโกรธความเปลี่ยนงั้นะาการไป การภาวานาเนี่ยนะนอกจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตถือว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นการบ้านที่ฝึกเราแล้วเนี่ยการภาวานาก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะเป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึง่งนะเหมือนกับเด็กนะที่เรียนวิชาทางโลกเรียนวิชาภาษาไทยก็ต้องขีดต้องเขียนนะต้องเขียนกอไก่ข้อขาเป็นตัวเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกก็กไก่จําได้ไหมตอนที่กไก่เราจะเขียนกอไก่ข้อขาเป็นเนี่ยเราเขียนกี่ร้อยเที่ยว อาตมาตอนเด็กๆนี่ยังใหม่ๆนี่งงนะว่าวาแหวงกับอออ่างมันต่างกันยังไงต้องเขียต้องเขียนอยู่หลายครั้งเยอะอ้วอวแหวนวาแวงนี่หัวมันเล็กอ้ออ่างนี่มันมันอ่ามันหัวมัตรงตรงข้างบนตรงกลางทํางทำบ่อยๆทำบ่อยๆภาวนาเนี่ยมันเป็นการเป็นการเป็นการปฏิบัตินะเป็นการทำกันบ้านอย่าง ซึ่งมันทาให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นเช่นเห็นว่าสุขหรือทุกข์มีที่ใจเป็นวิธีการวางใจของเราแล้วเมื่อเรามีความรู้จากประสบการณ์ชีวิตมีความรู้จากภาวนาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าปัญญาเนี่ยรวมทั้งคุณภาพจิตคือสติเนี่ยภาษาสมัยใหม่คุณภาพจิตแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราเรียกว่า eq เมื่อเรามีคุณภาพจิตและปัญญาเนี่ยจากประสบการณ์ชีวิตจากการภาวนานเนี่ยมันก็ทำให้เราเมีความพร้อมในการที่จะรับมือกับความผันผ ล, ผ ล, ผลปวดแปลในชีวิตได้ดีขึ้นเราจะไม่เสียพูดเสียคนหรือว่าทำอะไรพลังพลาดจนกรงทั่ง การเป็นงานสอบตและการทำลายตัวเองและพวกเราคงรู้จักคุณหมอวิสุทธ์นะวิสุทธ์บุญเกษสันติเดี๋ยวนี้ะจะเรียกคุณหมอคงไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาถอนไปประกอบตกวสินแต่คงทราบใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับคุณหมอวิสุทธ์นะครึ่งเดิมเนาานะีเป็นรองศาสตราจารย์ที่จุฬาเป็นผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเด็กหลอดแก้ว อันดับต้นของเอเชียแต่แล้ววันดีคืนดีก็กลายเป็นนักโทษประหารแ ต, แต่โชคดีที่ถูกลดโทษให้เหลือจัำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ถูกลดบทษมาตลอดเป็นนักโทษชั้นดีจนทั่งออกจากคุกตอนนี้ได้ซามก็ยังบวชอยู่นะ้อยสุดให้พูดหลังจากที่ออกจากคุกมาได้ไม่นาน เมือ่อสักสองปีที่เราบอกว่าเนี่ยเมือ่อเมื่อได้พูดถึงเหตุเมือ่อท่านได้ย้อนถึงเหตุการณ์ชีวิตของตัวเองในอดีตเขาบอกว่าเสียใจนะเสียดา ย, ยที่ไปทุ่มเทกับเรื่องงานการมากไม่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนในในหัวนี้มีแต่เรื่องงานเรื่องตําราวิชาการเรื่องการทําวิจัยเรื่องการสอน ไม่คิดที่จะฝึกจิตฝึกใจหรือตั้งสติเลยตอนนี้เห็นแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะกว่าเรื่องวิชาความรู้อีกหมายถึงเรื่องการฝึกจิตเนี่ยนะการปฏิบัติธรรมถ้ากลับไปเป็นหนุหน่มได้เนี่ยนะก็จะให้เวลากับเรื่องนี้มากขึ้นนะไม่มาทำตอนแก่ก <c oughs> ็ยิงดีนะที่มีโอกาสแก่นะเพราะว่า ตามโทษเดิมเนี่ยก็คือผานฟรีใช่ไหมแล้วนี้เป็นเป็นุทาหอนสอนใจที่ดีมากเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องวิชาทางโลกซึ่งมีชื่อเสียงและร่ํารวยหรือพร้อมที่จะรวยได้เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากไม่สนใจวิชาชีวิตนไม่สนใจการปฏิบัติไม่สนใจการฝึกจิตเมื่อเจอเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตเขาก็ตัดสินใจผิดพลาด ด้อนาจของความโกรธนะหรือว่าความหลงเราเกิดจะทำให้ชีวิตนี้ลงดิง่งชีวิตก็ดิ่งไปแล้วล่ะนะแต่ว่ายังไม่ดิ่งถินที่สุดนะตอนนี้วิชาชีวิตก็ช่วยไว้ทำให้ขึ้นมาใหม่นะก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้แม้ว่าจะสูญเสียความเป็นในแพทย์นะหรือแม้ว่าจะถูกผู่คนมอง ด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้เคารพเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความปกติสุขพสมควรแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปนะไอความวิกฤตในชีวิตเนี่ยสุดท้ายเนะี่ยอย่างที่ธรรมาบอกนะมันจะมีการสอบไล่เนะี่ยซึ่งเป็นบททดสอบที่ยากที่สุด สำหรับชีวิของเราไม่มีอะไรที่ยาวเท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฝึกมาตลอดนะเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้นะเรายอมรับการบ้านโดยที่ไม่บ่นวอยวายและเราพยายามทําการบ้านให้ดีที่สุดพยายามหาประโยชน์จากมันแต่ยังก็ฝึกจิตฝึกใจอยู่เสมอถึงเวลาที่สอบไล่เราก็จะสอบผ่านไนดะ้ เวลาใกล้เวลาจะตายล้วก็ไม่ทุรนทุนรายเพราะว่าได้ฝึกจิตเอาไว้แล้วได้เจริญสติเสมอได้รู้จักการปล่อยวางหรือว่าได้เรียนรู้นะปวดได้เรียนรู้ได้มีความรู้ที่สำคัญนะของวิชาชีตก็คือว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงนะนะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับไป เมื่อยอมรับความจริงอันนี้ได้เมื่อถึงเวลาที่ตัวเองต้องตายนะ mm hmm. ก็ไม่โวยวายไม่ต mm ีโพดีไายอมรับได้ไม่มองความตายเป็นศัตรู mm hmm. มองความตายเป็นมิตร mm hmm. มองความตายเป็นธรรมดาธรรมชาติ mm hmm. คิดแบบนี้แหละนะถึงจะหรือทําแบบนี้แหละนะจึงจะสอบผ่าน mm hmm. แต่ถ้าไม่มีความที่ยิ่งใหญ่หัวหรือว่าไม่ได้มีการฝึกไว้เลยนะ ก็มีหวังว่าจะสอบตกได้ง่ายๆมันตกตั้งแต่ตอนป่วยทุรนทุรไลแล้นะและพอพอจะตายจิตสุดท้ายก็เป็นอกุศลเพราะว่าปล่อยวางรูปหลานไม่ได้ปล่อยวางทรัพย์สมบัติไม่ได้หรือว่ายังมีความจิตว่าวุ่นเพราะความเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่สมควรตายตัวเองยังอยายุไม่มากนะยังมีห่วงที่ต้องต้องระลึกนึกถึงเนี่ย ไอแบบนี้เนี่ยก็สอบตกเหมือนกันนะก็ก็ตกจรงิงๆคือแปลบายทา้งที่มันน่าแปลกคือทั้งที่ทุกคนรู้นะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องสอบไล่เนี่ยแต่น้อยคนที่เตรียมนะถ้ามาสังเกตไงนะน้อยคนที่เตรียมเมื่อเหมือมนกับเวลาจะสอบ e n t r a n โอ้โ ห, หเตรียมตัวสอบกันเป็นปีๆัางที่เตรียมตัวเนี่ยต อ, อบเป็นอูปแบบใช่ไหมเดีย๋ยวนี้เนี่ย อยพ่อแม่อยากให้ลูกเนี่ยเรียนคณะอะไรที่ดีๆมาที่ดีๆนะต้องเริ่มจากการรุบาล น, นะนะเข้าในรุบาลที่ที่มีคุณภาพก็ทําให้มีโอกาสเข้าโรงเรียนประถมที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงแล้วก็เข้าในมัธยมนะแล้วก็หมาหาวิทยาลัยในสุดญี่ปุ่นไปนแบบนีมมานานแล้วนะฮะจะให้ลูกเข้าหมาหมาวิทยาลัยเช่นหมหาวิทยลาลัยโตเกียรเนี่ยซึ่ง รับประกันได้เราต้องมีงานทนําได้ก็ต้องเริ่มแต่อนุบาลเดีย๋ยนี้เราพ่อแม่คนไทยก็เริ่มปเป็นแบบนี้ให้ลูกเตรียมแต่เป็นอนุบาลก็ดีนะเตรียมเรื่อง เ, ออเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะแต่ว่ามันเป็นแค่วิชาทางโลกอะ่ะไอวิชาชีนไม่ได้เตรียมเลยแล้วไม่เห็นความสําคัญด้วยจริงๆเนี่ยนะ นอกจากเตรียมเราเองแล้วนะต้องเตรียมรูปนอกจากให้รูกที่มีวิชาความรู้ทั้งโลกอนะไรีวิชาวิชาในทางทําในทางชีวิตต้องมีอย่างที่อาจารยบอกคือเ้าเรียกว EQ EQ นั่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิต EQ นี่หมายถึงอะไรหมายถึงความความรู้หรือความตระหนักเริ่มต้นคือความรู้ความตระหนักในในภาวะอารมณ์ของตัว เช่นเวลาโกรธก็รู้วตัวเองโกรธเวลาโมโหก็รู้ว่า โ, โมโหนอกจากเราลึกรู้ในอารมณ์ของตัวเองนนเนี่ยก็สามารถที่จะเซนหรือรับรู้ได้ถึงอารมณ์ของผูอง้อื่นและรู้ต่อไปด้วยว่ามันมาได้อย่างไรและมันจะพาไปไหนถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเช่นความโกรธเนี่ยนะมันโกรธได้เพราะอะไรแล้วมันโกรธแล้วมันจะมันจ ะ, นจะทําให้เกิดอะไรขึ้นรวมทั้งรู้วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวนะอันนี้เป็นเป็น เป็นเป็นเป็นหลักสูตรหนึ่งของวิชาชีวิตนะที่ต้องที่ต้องมีขั้นพื้นฐานเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจนะมีลูกมีหลานก็ไม่ได้สนใจที่จะให้ลูกเนี่ยมีมีความสามารถทางนี้คิดแต่จะให้ลูกเนี่ยเรียนเก่งคิดเก่งมันมีการวิจัยหนึ่งนะพบว่าเด็กนะ ก็าตามเด็กที่เรียนดีนะอที่ไม่ตามเด็กทั้งชั้นเลยนะแล้วก็หลายชั้นด้วยแล้วก็หลายปีแล้วเขาสรุปนะเอาไ่อยๆนะเขาสรุปว่าเด็กที่ทําคะแนนดีในโรงเรียนในมหมาวิทยาลัยเนี่ยมหมหยมะไอความสามารถในการเรียนนะคือทําคะแนนสูงๆเนี่ยเรียนดีได้เกรดสูงๆเนี่ย มันมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตแค่20เปอร์เซ็นตะ์ปัจจัยสำคัญ80เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เด็กเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องผลการเรียนแต่เป็นเรื่องของที่เขาเรียกมเรีรมๆรว่า eq ซึ่งหมายถึงว่าความรู้ความเข้าใจในตนเอง หมายถึงการที่มีมีทักษะทางสังคมทักษะในทางทา ง, ส, งสังคมที่ไม่ใช่มารยาทเนี่ยหมายถึงว่าการการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนะความฉืเหลือเกื้อกูลความมีน้ำใจรวมทั้งการที่จะสามารถจะพูดคุยสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันเดี๋ยวนี้มีคนจำนวนมากนะที่ EQ นี่ตกต่ำมากมีหมอคนหนึ่งแกเล่าว่าเคย <c oughs> เคยทำวิทย์เคย <c oughs> เคยศึก <c oughs> เคยทำการทดลองเพื่อศึกษาว่าสมองคนเราเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อ <c oughs> ได้เห็นภาพที่น่ากลัว <c oughs> ก็เอาอาสาสมัครเนี่ยมา มาเข้าร่วมการวิจัยด้วยการให้ดูผ้าแล้วก็มีการติดเซ็นเซอร์ไว้ที่ ท, ที่ร่างกายเช่นวัดความดันหัวใจวัดความดันวัดการเต้นของหัวใจวัดความดันของเลือดแล้วก็ดูสมองด้วยก็มีพู้หญิงคนนึ่งแกก็เป็นคนที่ทํางานเป็นคนที่เก่งนะความรู้เนี่ยเก่งเรียนดี ก็มามาให้มาร่วมการศึกษานี้ก็ให้ดูภาพดูได้ไม่ทันไลยนะหัวใจจะเต้นเร็วมากเลยความดันนี่ก็กสูงมากเกินปกติหมอคนนี้ก็บอกให้หยุดกลางคันเพราะมันจะเป็นอันตรายนะต่อผู้หญิงคนนั้นอีกคนน้งก็งงนะบอกว่าหยุดทำไมฉันสบายดี ไม่เป็นอะไรหมอคนนี้ฟังแล้วกแกก็สงสแกก็งงมากเลยว่าร่างกายมันฟ้องว่าเขากลัวต้องการมันฟ้องว่าเขากลัวแต่เขาไม่ไม่รู้ว่าตัวเองกลัวเพียงคนนี้ไม่รู้ว่ตัวเองกลัวทั้งที่เนี่ยความกลัวเนี่ยมันมันมันมันเกิดขึ้นแล้วดูจากการฟ้องของร่างกายแล้วเมื่อเขาติดเมื่อเขา ได้รู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นก็เริ่มเข้าใจนะเพียงวันนี้นาะยแกมีปัญหาเพื่อโรงงานมากเพื่อโรงงานเนี่ยไม่ชอบแกสักคนเลยทีแรกหมอง็เข้าใจว่าเป็นเพราะเธอเนี่ยชอบพูดมากหรือว่าถูกถูกผู้อื่นแต่ปัญหาที่ลึกกว่า น, นั้นคือว่าเป็นเพราะเธอเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้อารมณ์ของตัวไม่รู้ตัวเองรู้สึกอะไร ไม่ร่วมมีความสึกอะไรเกิดกับตัวเองเมื่อไม่ร่วมตัวเองรู้สึกอย่างไรเนี่ยเราจะไปรับรู้ความสุขคนอื่นได้ไหมเมื่อไม่รับรู้ความสุขคนอื่นก็ปฏิบัติคนอื่นเนี่ยในแบบไม่เกรงใจแบบที่เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความโกรธให้กับผู้อื่นถ้าคนแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเยอะนะคนที่ไม่ร่วมตัวเองรู้สึกอะไรตอนนี้หลายคนนะัพอถามว่ารู้สึกอะไรนะตอบเป็นความคิด เพราะเราใช้ความคิดมากไปจนกระทั่งเราเนี่ยไม่สามารถจะสัมผัสกับความรู้สึกของเราได้บางคนเนี่ยรู้สึกนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นบางคนรู้สึกไม่เป็นมีความรู้สึกทุกข์แต่ไม่รู้ว่าทุกข์เรื่องอะไรหมอคนนี้ก็เหมือนกันก็เล่าฟังนะว่าแกแกเจอหมอแกเจออินนแกเจอนักศึกษาแพทย์หลายคนที่มาเป็นอินเทอร์เนี่ย อินเทอร์เนี่ยนะก็คือหมอหมอฝึกหัดเนี่ยนะซึ่งพวกนี้เนี่ยเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยทํางานหนักมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนในอเมริกาเนี่ยอินเทอร์และเลซินเดนเนี่ยค่าตัวตายสูงมากค่าตัวตายสูงมากตอนเป็นนักสัตว์แพทย์ยังไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นอินเทอร์แะเลซิเดนที่ค่าตัวตายสูงมากเพราะว่าถูกกดทูนคีจะหม อ, อหมอใหญ่แล้วก็ต้องทํางานหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอน ติดต่อกันเป็นเดือนหรือบางทีหลายเดือนก็มีเทอร์มหนึ่งเนี่ยแกทำที่มาหลายหลายวันนะไม่ได้หลับไม่นอนพอพอหมดเวรนี่นะบอกว่าแทนที่แกจะไปไปนอนนะแกไปไหนทราบนะแกไปลงอาหารแล้วก็หาของกินแกคิดว่าแกหิวแกรู้สึกว่าทุกข์นะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ ว, ว, ลวนะ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกเนี่ยนะเพราะอดหลับนอนไม่รู้ว่าตัวเองทุกเพราะเหนื่อยตัวเองคิดว่าตัวเองทุกเพราะหิวเมื่อคิด่อตัวเองทุกเพราหิวก็ไปทํางานก็ไปกินเลยนะฮะแล้วเป็นอย่างนี้เยอะนะคือรู้ว่าตัวเองเนี่ยทุกแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองทุกเพราะอะไรไม่สามารถที่จะคือร่างกายก็บอกนะว่าฉันอยากจะนอนฉันอยากจะนอนนะแต่เจ้าตัวนี้คิดว่าเนี่ย้ฉันหิวก็ไปกินเสร็จแล้วไปไงน ığımız, รคอ้วน คนยิ่งเครียดมากยิ่งอ้วนมากนะสมัยนีย้สังเกตนะสังคมที่มีความเครียดสูงเนี่ยจะเป็นสังคมเดียวกับที่มีความอ้วนมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทุกพระอะไรเขาคิดว่าตัวเองทุกเพราะหิวก็ไม่กินนะถ้ารู้ตัวเองทุกเพราะนอนไม่พอก็แก้ได้ง่ายคือไปนอนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเรียกว่าแม้กรทั่ง EQ ขั้นพื้นฐานก็ตกกระนาว ถ้าเป็นอย่างนี้เยอะนะต่อไปลูกหลานเราก็จะเป็นอย่างนี้มากขคือคือไม่รู้จักไม่รู้ว่ตัวเองเนะี่ยรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้นะแล้วจะแก้ทุกข์ของตัวเองได้อย่างไรนะดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เยอะนะฮะเป็นมากขึ้นนะี่ตมาคิดว่ า, เ, าเรื่อง EQ ก็ดีนะรเรื่องวิชาชีพก็ดีเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ ที่มีความสำคัญมากที่เราต้องนะทำกับตัวเราเองด้วยนะแล้วก็สอนให้ลูกหลังเราเนี่ยได้ได้มีได้เรียนรู้มันไม่มีการสอบเอาคะแนนก็จริงนะแต่ว่ามันสามารถจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะมีความสุขในโลกนี้ได้หรือเปล่า ไม่ใช่แค่สำเร็จนะหมอวิสุทธิแกก็สำเร็จนะหมายถึงว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของของแพทย์นะแต่ไปพลาดในเรื่องของชีวิตนะเนี่สำเร็จอย่างนี้ไม่พอนะมันต้องสุขด้วยและการสุขเนี่ยนะหมอต้องต้องอาศายัยในการการฝึกฝึกภาวนานะที่จริงวิธีการเนี่ยูเจจาวังเอาไว้แล้วนะ ทานศีลภาวนาการให้ทานการรักษาศีลภาวนาจนะากขณะเดียวกันภาวนาเนี่ยนะก็อย่าให้ติดที่รูปแบบนะอย่าให้ติดที่รูปแบบว่าต้องไปภาวนาที่วัดนะบางทีการการดูแลการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงาน ก็เป็นการภาวนาหรือปฏิบัติธรรมด้วยอาจารย์พุทธาบอกว่าการทางานคืการปฏิบัติธรรมเห็นี้มหลายคนภาวนาแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่นะบางคนก็พ่อแม่ป่วยแต่ตัวเองเนี่ยก็เก็บตัวอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมพี่น้องก็บอกว่าให้มาช่วยดูแลพ่อแม่ แกก็บอกว่าช่วยแล้วส่งบุญมาให้หวงหวงการภาวนามากหวงความสงบมากกลัวว่ามาดูแลพ่อแม่อาจารย์ไม่สงบซึ่งนี้เนี่ยเป็นความเป็นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมุมมองที่ผิดพลาดมากนะเพราะว่าการดูแลพ่อแม่เนี่ยนะหรือการดูแลผู้มีพระคุณเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรม แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ท้าทายในเรื่องขการไปอยู่คนเดียวนะในกุฏิในห้องด้เพราะว่าทำยังไงเราจะดูแลคนไข้ทั้งกายและใจใครเจอกันก็รักษาใจเราให้เป็นสุขให้สงบด้วยไอการรักษาใจให้สงบโดยที่ไม่มีเสียงมากระทบนะไม่มีการงานให้ต้องทําเนี่ย มันยากก็จริงนะแต่ว่าที่ยากกว่าคือว่าการที่เราสามารถจะสายาใจสงบได้แม้ว่าเราเจอผัสสะหลายนานาชนิดหรือว่าเจอเหตุมากระทบอย่างผู้ชายคนที่แกบอกว่าแกไม่รู้สึกอะไรเลยนะที่เมียทิ้งเนี่ยทั้งที่ขาแกแกขากอันนี้ภาวนานะแกภาวนาจากชีจากประสบการณ์ชีวิตจากเหตุการ สามารถที่จะเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างที่มีอยู่กับเรามันก็มาโข้าแล้วก็ไปนี่คือผลจากการภาวนาแต่ไม่ใช่ภาวนาเฉพาะเวลาอยู่ในในกุฏิแต่ภาวนาจากการที่ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเจอเหตุการณ์ต่างมาแล้วสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะ หรือสามารถเที่บเข้าถึงสารที่เหตุการณ์เหล่านะั้นสื่อมาให้ไนดะ้อาตมาก็ใช้วเวลาพอสมควรแล้วนะก็ก็คงมีประเด็นหลายเรื่างที่อาจจะไม่ไม่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยอามาซักถามกันแต่ตอนนี้ก็ขอชวนพวกเราได้ทำความสงบสักพักนะแล้วก็ให้ปล่อยวางนะความคิด หรือสิ่งที่ได้ฟังมาตั้งแต่เช้านะจนถึงเมื่อสัปเหี่ให้วางาไวง้ก่อนอันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานในกันนั่นในการปล่อยวางวางความคิดเมื่อกี้เราใช้ความคิดม า, มากเลยนะตอนนี้เราวางกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวกลับมาอยู่อารมณหายใจกลับมารู้กายรู้ใจ ในหลับตาพิม์นะยิ้ม น, ะ น, น, น้อยๆทำกายผ่อนคลายเรารู้ถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นที่ศีรษะโดยพเพาะบริเวณใบหน้าคลายก็อน้ทุกส่วนที่ใบหน้าคงจะต้องยิ้มรอยยิ น, น, น้อย รารู้ถึงความผ่อนคลายที่ต้นคอหวัวไหล่แขนริะมือทั้งสองข้างความผ่อนคลายไล่ลงมาที่หน้าอกช่องท้องต้นขาน้าแข้งึนปลายเท้าให้ร่างกายเรานั่งในท่าที่ผ่อนคลายหายใจสบาย นอนจิตมาที่ลมหายใจรับรูล้ลมหายใจที่เข้าและออกหายใจสบายๆมีลมหายใจที่กระทบที่ปลายจมูกเบาๆก็รู้อยู่รับรู้ลมหายใจที่เคลื่อนผ่านเข้ามาในร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็รับรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านออกมา รับรู้เบาๆไม่ต้องถึงการให้จิตบังคับแนนแนอยู่กกบลมหายใจวางควา ม, มคิดต่างๆลงชั่วคราวเรื่องราวที่เราได้ในฟังมาในแต่เช้าจนเมื่อสักครู่ก็เคยวางไว้ก่อนสิ่งที่เราจะทำหลังจากเที่ยงนี้มีมากมายเกียไดดก็อย่าเพิ่เอามาเป็นกังวล วงไว้เช่นกันเราช่วงเวลาที่เปช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับลมหายใจลมหายใจที่เป็นมิตรประเสริฐของเราเป็นมิธรที่เราละเลยมาช้านาลมหายใจนั้นอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเมื่อหลุดตาดูโลกแล้วก็จะหายไป เมื่อเราล่าจักรลมที่ผ่านลมหายใจอยู่กับเราทั้งในยามตื่นแรกหลับยามสุขในยามทุกยามสําเร็จแรกรุ่มเหลวทั้งในยามขึ้นและยามลงลมหายใจก็ไม่เคยจริงมเรไปพอใช้เวลาช่วงนีกับลมหายใจให้เวลา เพื่อนให้เวลากับเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดของเรามีลมหายใจก็มีทุกอย่างทั้งที่เคยมีตอนรังมีอยู่แล้วก็ที่จะมีต่อไปในอนาะคตไม่ว่าคนรักรูปหลานทรัพย์สมบัติวิชาความรู้ ไม่มีลมหายใจเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยแม้ก็ทั้งชีวิตนี้ลมหายใจมีคนนั้นเป็นวิธีกระสริที่สุดของเราแต่เรามังับังจะมองข้างไปขอใช้เวลาช่วงสั้นๆ น, นี้ไม่นานเพื่อจะกลับมารับรู้ลมหายใจแราเพิ่การ ม, มีอยู่ของเรหายใจ ให้เวลากับเขาขอบคุณเขาและอยู่กับเขาด้ใจที่สงบเงีย ก, กลาในหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึก ใ, ใจเผลอคิดไปเรื่องใดรู้ตัวก็พ่าใจกลับมาพามาเบาๆไม่ต้องไปกดขู่ห้ามความคิด เ็จะคิดก็คิดไปแต่มารู้ตัวใจเผอก็กลับมาลมหายใจให้ใจกลับมาหาเพื่อนมารู้จักมาสัมผัสมาดีใจสายใจกับเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดยันของเรา ไปก็เป็นช่วงถามตอบนะก็เชิญถ้ามีสงสัยก็เชิญถามได้หรือแสงความเห็นก็ได้นะเชิญ์หถามอได้ถามนายรัชาลอาจารย์ ที่เราเป็นผู้พิสูจน์ชนิยชนเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งของชาวพุทธเกี่ยวกับการแต่งป้ายศพศักดิ์สังฆะแต่วัดพระธรรมการขอบคุณเจ้าข้ายังแรกก็ต้องหาข้อเท็จจริงก่อนหาข้อเท็จจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ อ, อ่านแต่ความเห็นหรือที่เรารับรู้มาส่วนมากทีเดียวก็เป็นความเห็นนะแต่ว่าข้อเท็จจริงบางทีเราก็ไม่ค่อยได้สาหากันเท่าไหร่และในการหาข้ท็จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้หลักการผสมสูตรเนียนะหรือว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายๆเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราไม่ค่อยมีเวลาอ่าน นอกจากไม่มีเมื่อไม่มีแล้นอกจากไม่มีเวลาอ่านแล้วไม่มีคนแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาคิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกคือข้อความ ย, วยาวๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านกันละไอการที่หาข้อจริงก็น้อยอาการต่อมาก็คือว่าไอสิ่งที่เขียนมาง่ายๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยเราก็อย่าพิ่งรีบเชื่อนะตอนนี้เนี่ย คนเราเนี่ยจำนวนมากที่ใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook เนี่ยไม่ค่อยได้อ่านแล้วก็ไม่ค่อยคิดบางทีมีการประกาศว่ามีงานน้ยงานที่จัดที่โน่นที่นี่นะคนก็ยังมาถามว่าให้ตกลงจัดที่ไหนเมื่อไหรแต่ก็ไม่ได้อ่านเลยนะ อันนี้อ่านแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องอย่าเชื่อง่ายการามสูตรมีสิบข้อนะข้อแรกคือว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะนะได้ยินได้ฟังมาอย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสื่อกันมาหรืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าทำตามกันมาในที่สาคัญหนึ่งที่หลายคนมักจะตกอยู่ใน ที่สอบตกก็รักกันกนคือว่าผู้เจ้ตาตว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้<ม>พอเราเห็นว่าเอยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเราก็เชื่อทันทีอาจจะมาคิดว่าต้องไตรตรองดูก่อนนะตรวจสอบข้อมูลเท่าที่เราจะทําได้ <นะ S 2> ความ ความเห็นตัวเหมือนกันเราก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อนะไต่ตองตัวก่อนแม้คนที่คนที่พูดนี่จะน่าเชื่อถือก็ตามในกำลัมาสูวนเขบอกว่าเน่ยเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเนี่ยเป็นครูของเราแต่เชื่อเพียงเพราะอ้างจากตำรา ห, หรือคำภีร่ <c oughs> ยุคนี้เขาเรียกวเป็นยุค ข, ข้อมูลข่าวสารนะแต่ว่าข่าวลือข่าวเท็จก็เยอะเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะ คิดแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ตัดสินด้วยตัวของเราเอง <c oughs> แล้วก็ต้องมีหลักนะในการตัดสินต้องมีหลักด้วยต้องมีหลักหลักอันนี้เนี่ยถ้าในกรณีอย่างนี้ก็มันก็มีหลักเกี่ยวกับารรมวินัยอยูนะ่ที่เราจะมาพิจารณาได้นอกจากหลัก ที่เป็นกฎหมายนะกฎหมายก็อันหนึ่งนะถูกกฎหมายแต่ว่ามันไม่ถูกทมหรือว่ามันไม่สมควรก็ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถูกกฎหมายแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องดูเออมันถูกทำถูกหรือถูกธรรมวินัยไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณาและที่อยากจะให้มองต่อไปคือว่า เราควรจะถามตัวเองว่าเอตุการณ์เราที่มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ก็อันหนึ่ง น, นะเกิดขึ้นที่ไหนเกิดเกิดอะไรขึ้นวัดเป็นแะวนะคู่อันนี้คนสนใจอยากรู้แต่ต้องถามด้วยว่า why ทำไม คขาบอกว่ า, วายเนี่ยมักจะคุกมองข้างถ้าเราถามคําถามที่บ้างนะเราจะได้ความรู้แม้กระทั่งดาราเตียงหักเนี่ยถ้าเราถามว่ า, วายเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ว่า โ, โมันสอนใจเราได้เยอะเลยนะเหตุการณ์นี้เหตุการเรื่องประสงค์เนี่ยนะที่เกิดขึ้นเป็นข่าวเราถ า, ถามมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเหตปัจจัยเนี่ ย, ยมันไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่แค่ แค่วันสองวันหรือปีสองปีนะที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันอันตมาถ้าพูดไปแล้วมันเหมือนกับยอดภูเขาหนังแข็งนะมันคือยอดภูเขาหนําแข็งภูเขาหนังแข็งเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาคนน้ําเนี่ยแค่หนึ่งส่วนอีกสิบส่วนมันอยู่ใต้น้ําปรากฏการทั้งหลายในยีเพราะ ป, ปรากฏการใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่หนุนหลังอยู่เยอะ สิ่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในสิบหรือหนึ่งในสิบเอ็ดนะของเหตุปัจจัยเราอย่าไปดูที่แค่ปรากฏการณ์เราต้องสาให้ลึกไปถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยจากอะไร น, นี่ก็เป็นเรื่องสมุทัยนั่ น, นี้ซึ่งถ้าสาไปก็จะพบว่ามันเป็นปัญหาที่ยืดเยืย้อหรือรังมานานมันเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงอ่ามันเป็นมันเป็นปัญหาที่สะท้อนถึง ความความบกพร่องในเชิงโครงสร้างก็ได้ที่สะสมมานานอันนี้ก็ก็ต้องไปศึกษาเอานะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ที่ต้องใช้เวลายเยอะในการอธิบายแต่อมามก็ให้เพียงแค่หลักไปแล้วตัดสินใจจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่นะจุงสำคัญก็คือว่ากระบวนการ <c oughs> ในการพิจารณาเนี่ยมันก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์ แล้วก็อาตาเราก็ให้หลักเกณฑ์เอาไว้นะอันนี้เนี่ยนอกจากนอกจากการที่ไปรับรู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับอย่างกรณีนี้ก็เรื่องพระสงฆ์เนี่ยอาจาว่าก็อย่าลืมตัวใจเราด้วยนะมองนอกแล้วอย่าลืมมองในเราจะถ้าเรามัแต่สนใจแต่เหตุการณ์ข่าวคราว ในบ้านเมืองแต่เราลืมดูใจเราก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือซ้ำเติมปัญหาก็ได้อย่างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันก็เป็นความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธแต่วิสัยชาวพุทธเนี่ยนะเวลามีความขัดแย้งเนี่ยก็ควรแสดงออกด้วยหลักธรรมเช่นใช้ปิยาวาจา ใช้พิยาวาจานะแล้วก็ใช้วาจาที่สุภาพไนะม่มีการดา่าแล้วก็ต้องมีความใจกว้างมีคันติธรรมที่จริงต้องมีเมตตากรุณาด้วยนะอันนี้พูเจ้าพูดบ่อยมากเลยนะเรื่องความมีเมตตากรุณาแม้กระทั่งผู้ที่ทำร้ายเรา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจากในโซเชียลมีเดียก็คสังเกตได้ว่ามันเต็มไปด้วยความอารมณ์ที่ร้อนแรงมากคำต่อว่าคำดา่านะซึ่งมาสะท้อนอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดและความกลัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะมาจากชาวพุทธนะให้เรากาลังเรากาลังเรากำลัง ถ้าเราจะปกป้องศาสนาเนี่ยเราต้องใช้วิธีการที่สอดคล้องกับศาสนาสอดคล้องกับคำสอนของพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยการใช้วาจาในการในเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องการที่จะำบุ้งทำร้ายเรียกว่าเหยียบให้จมดินต้องสองฝ่ายเลยนะเพราะนั้นเนี่ยธรรมคิดว่า มองอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็สอบตกแน่นอนชาวพุดเนะ่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราไปโทษเราไปโทษฝ่าย น, น, นั้นว่าแย่ไ ม, ยไม่ดีอย่างนี้่ไม่ดีอย่างนี้อ้าวแต่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกับเขานะจากคำพูดที่เราใช้ด่ากราใช้อารมณ์นะเราด่าเขาเนี่ยสุดท้ายมันย้อนมาที่ตัวเราต้องระวังมากอันนี้บอกว่าให้กลับมาดูใจเราด้วย อย่าไปอินกับเหตุการณ์ภายนอกจนลืมตัวใจเพราะถ้าเราลืมตัวใจแล้วสุดท้ายเราก็ไปเป็นส่วนของปัญหาหรือทำให้ปัญหามันแรงมากขึ้นหนักมากขึ้นมองคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองอันนี้เป็นปัญหาทั่วไปเลยนะอันนี้ก็นอกรอบนอกเรื่องสักหน่อยมีมีหลายคนเนี่ยมามามาม า, มาปรึกษาตามาเพามีความทุกข์มากเลยทุกอะไรทุกเรื่องพ่อแม่ เป็นยังไงเลยพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเรื่อง ล, ลูกคนนั้นเรื่องลูกคนนี้นะเขาพูดไปเขาก็ทุกไปอ่ตอนเขบอกว่าเนี่ยเราบอกให้พ่อแม่ปล่อยวางแต่เราเองเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยวางคนพูดเนีน่ยนะบอกว่าเนี่ยทุกพ่อพ่อแม่ปล่อยวางเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยวางอ่ะมาก็ได้ว่าเนี่ยก่อนที่จะบอกให้พ่อแม่ปล่อยวางเนี่ยตัวเราเองปล่อยวางซะก่อน อ, อย่าให้แม่ปล่อยวางเรื่องลูกนะเรื่องลูกชายเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยปล่อยวางไม่ได้เรื่องแม่เป็นอย่างนี้เยอะเลยนะคือไปบ่อกคนอื่งปล่อยวางแต่ตัวเองเนี่ยกลับยึดนะเพ่อะอะไเพราะไม่ได้มองตัวเอง เ, เรียกร้องคนอถึงให้ปล่อยวางแต่ตัวเองเนี่ยกลับดึดเหนียวน่นจนกินไม่ได้น อ, อนไม่หลับหลายคนที่มาปรึกษาเนี่ยกินไม่นอนไม่หลับเลยนะมือนเครียด น, นะ ภูมใจมากทำไมพ่อเป็นอย่างนี้แม่เป็นอย่างนี้ทาไมพ่อแม่ไม่ปล่อยวางนี่เป็นน้กันไปหมดแล้วคือว่ามองนอกแต่ลืมดูในมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับตัวเองแล้วกับอาจจะสังคมด้วยอ่ะคงตอบเั่า น, นี้นะถามมาขอค่ะผาหี้ย่าที่ใกล้ชิดมากมาขอยืมเงิน โดยเราก็ทราบว่าเขาจะไปใช้ในการทนงานเราตมีเมตตาต่ อ, ขอเขาในการให้ยินเงินหรือให้เจ้าค้าซึ่งเขาก็อ้างว่าหากเขาได้เงินก็อนนไปเขาจะต้องลำากแน่แนคือเมตตาเนี่ยต้องมีเป็นพื้นอยู่แล้วนะตอนนี้เราต้องคิดต่อไปว่าเออตลอดเมตตาเมตตาจะแสดงออกด้วยวิธีใดในกรณีนี้ถ้าเร า, า, า, ราเห็นว่าเราให้เงินเขายืมไปหรือเราให้ไปเลยนะเพื่อเขาไปใช้หนี้เนี่ยแล้วถ้าเขาใช้หนี้แล้วเนี่ย เขไม่กลับไปทํำนี่ต่อไม่สร้างนี่ต่อเนี่ยอาตมาว่ามันก็ไอสิ่งที่เราช่วยเนี่ยก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างแท้จริงก็คือว่าเขาจะได้หมดภาระแล้วเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่บางทีเราก็ต้องให้โอกาสคนแก้ตัวถึงแม้ว่าเขาจะเคยทําความผิดพลาดมานะแล้วก็การที่เราให้เงินเขาไปใช้นี่เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ผิดผิดหลักธรรมะอะไรนะไม่ได้ให้เงินเข้าไปเล่นไพ่ไม่ได้ให้เงินเข้าไป ซื้อเล่าไมได้ให้เงินเขาไปซื้อปืนนะให้เงินเขาไปใช้หนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดธรรมมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าที่มาของหนี้เนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจากที่นี้เราก็ต้องแน่ใจนะว่าเออให้เข้าไปแล้วเนี่ยนะมันมันจะช่วยเขาแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ไปสร้างปัญหาให้กับเขาทำให้เขาแทนที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ก็ไปไปเล่นการพนันต่ออันนี้ก็ต้องท่านก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วย จัดอบรมการเชิญความตอย่างเป็นางการนะครับจัดอบรมบ่อยมากนะพรุ่งนี้ก็อบรมเดือนหน้าก็อบรมเดืออบรมทุกเดือนเ <c> ด <oughs> ือนเนี่ยปน่งจัดสิครั้งครับคือมันมีหลายเจ้าภาพที่จัดนะปีนึงจัดสิกว่าครั้งเนี่ยบางแห่งเจ้าภาพที่จัดก็เป็นเซมิสิคาไลจัดประมาณปีละสาครั้งสครั้งพุทิกาก็จัดปีละสาสี่ครั้ง แล้วก็บางครั้งเนี่ยหลายครั้งก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยอย่างเช่นยุ่พุธเนี่ยก็จัดปีละสาครั้งนะยุ่พุธ 0102-03 ่สามเนี่ยที่ชุมพรพุทเนี่ยตอ น, น, นก็ไปจัดให้เขา7วันแล้วก็บางแห่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการจัดที่เปิดก็มีที่จำกัดคนก็มีถ้าที่เปิดเปิดกว่านี้ก็ให้อย่าให้ลองติดต่อเซ็นสิขาไลเนี่ยก็จะจัด เปิดกว้างเอที่เขาจัดเองเนี่ยปีละสาปีละสี่ครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ลองติดตามดูโยกพุทเนี่ ย, ย, เ, ยเขาก็เปิดนะจัดปีละสาครั้งนะก็ลองติดไ ป, ไปดูทางว็บไซต์ของเขาศู0ย์หนึ่งศูนย์สองที่ยังอยางจัดอยู่ภายในเดือนพฤษภากับรักดาที <c oughs> นะ่ เปิดเปิดเยอะนะแต่ว่าไม่พอความต้องการความต้องการเยอะมากอันนี้ก็ถ้าจองแต่เนื่องๆก็ ก, ก็ก็คิดว่าน่าจะได้ขอรบกวนสอบถามเรื่องการศึกษาในปัจจุบันที่มีการแข่งขันเพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าเรียนที่โรงเรียนดีๆโดยพ่อแม่บางคนจึงใช้เส้นเพื่อที่จะให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการได้ ควรทำหรือไม่อย่างไรจะทำคือเส้น่มันก็มีหลายระดับนะหลายแบบใ น, นการใช้เส้นเส้นบางอย่างก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> เป็นเรื่องที่หมายถึงว่าคล้ายๆจะจะเปิดเปไปที่ยอมรับเ <c oughs> ช่นโรงเรียนเนี่ยสิทธิ์เก่าเนี่ยเกเนี่ ย, เ, เ, ยเขาก็เาก็ถือว่ามีพิสิทธิมกก์มากกว่ามากกว่ามากกว่าคนที่ไม่ใช่สิทธิ์เก่า นะอันนี้เราก็ต้องยอมรับมาเปัอย่างันอย่างพวกฮาวเวิร์ดเยลเนี่ยนะสิธเก่าก็มนที่สิทธ์ ม, มากกว่านะแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ได้มากนะไม่ได้มากอย่างน่าเกลียดนะอังเส้นไม่มีหลายระดับนะแต่ว่าใช้เส้นแบบที่มันไม่ไ ม, ไม่เป็นที่ไ ม, ไม่ไม่เป็นที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานไม่มีเกณฑ์ที่ยอมรับ ก, กันนะอันนี้ไม่ควรทำนะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะว่าพ่อแม่ใช้เส้นนะต่อไปตัวเองก็ ก็จะมีพฤติกรรมในจานองนี้มากขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับกับผู้อื่นด้วยนะอาตมาว่าในในทุกในในใ น, ในทุกสังคมเนี่ยเขาก็มีมีการมีความยืดหยุ่ในการให้ใ้ให้ใช้เส้นได้บ้างไม่มากก็ น, น้อยอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเนี่ยอยู่ที่ว่ามันจะน่าเกียดหรือเปล่าหรือที่ยอมรับกันได้ไหม ถ้าเป็นที่ที่ยอมรับ ก, กันได้หรือเป็นที่ที่มันไม่น่าเกลียดมากก็ก็ก็ยอมรับ ก, กันได้ค่ะคำถามนะคะแต่ก่อนนี้เวลาโกรธจะพูดออกมาเลยแสดงอารมณ์เลยแล้วมักมาเสียใจทีหลังตอนนี้เวลาโกรธก็รู้ตัวว่าโกรธรู้สึกร้อนทัตัวแต่ยังหยุดไม่ได้ที่จะแต่ยังหยุดไม่พูด สแสดงอารมณ์ได้ดียังไม่ได้จะทำอย่างไรดีก็ถือว่าดีขึ้นใหม่อีกขั้นนึงแล้วนะคือรู้ตัวจริงๆวว่ า, ามันรู้ตัวประเดี๋ยวปะดาวความรู้ตัวที่เกิดขึ้นเพียงแค่แบคทีเรีเสร็จแล้วความโกรธก็ามาคร่อบงำหายจนทั้งร้อนเนี่ยร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือว่าถ้าว่ายังห้ามห้ามห้ามคําพูดหรือห้ามการกระทําตัวไม่ได้ก็ต้องพยายาม เดินออกจากสถานที่นั้นรเหตุการณ์นั้นไปนะแต่วิธีนี้มันก็ใช้ได้ชั่วคราวหรือใช้ได้เฉพาะบางการณีอัตมาก็ต้องพยายามฝึกให้มากขึ้นเช่นอาจจะพยายามดึงความสนใจของจิตเนี่ยมาอยู่ที่สิ่งอื่นแทนเช่นที่ลมหายใจเราพบ ว, ว่าเมื่อเมื่อคนเราเนี่ยเวลามีความโกรธหรือความกลัวก็ตามเนี่ยหรือความเครียดเนี่ยพอกลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายจออกย า, ยาวๆเนี่ย ถ้าพยายามที่จะอยู่กับมันได้เนะี่ยซักเส้นหายใจเข้าหายใจออกสิครั้งนะจะช่วยทําให้ความความโกรธความเครียดทุเราลงนะกลับมาที่ลมหายใจนะอาตมาเรียกเรียกเหมือนว่าลมพิเศษนะลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นลมพิเศษนะมันก็คือลมธรรมดาเนี่แหละเพียงแต่ว่าเราเติมใจหรือใส่ใจเข้าไปนะใส่ใจเข้าไปในลมนี้มันจะกลายเป็นลมพิเศษ มันเป็นลมที่ช่วยดับความรุ่มร้อนในใจิตใจมันเป็นลมที่ช่วยขจัดความหนักอกหนักใจออกไปมันเป็นลมที่ช่วยทำให้จิตใจโปร่งเบาบางครั้งบางครั้งรู้สึกถูกบีบคั้นเนี่ยพอเราใช้ลมพิเศษมันจะคลี่คลายสบายโป ร, งโรง่งเราทุกคนมีลมพิเศษเพียงแต่เราเติมใจลงไปเอาใจใส่ลงไปในลมนี่ ก็คือใส่ใจการหายใจนะมันจะช่วยได้และที่จริงเนี่ย <c oughs> เขาพบว่ามันสามารถช่วยช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไปคิดว่าซึมเศร้าต้องใช้ยาแต่ก็มีคนที่ใช้การหายใจเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีการในการช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าเพราะการหายใจคนเราถ้าเาหายใจถูกนะหรือว่ามีหายใจหายใจลึกๆเนี่ยแล้วก็มีเทคนิคอยพอสมควรเนี่ยนะ มันจะปนไปมีผลต่อระบบเขาเรียกว่าลินบิกซิสเต็มคือสมองคนเรามีสองส่วนนะสมองส่วนอารมณ์และสมองส่วนเหตุผลสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันเป็นสมองที่มีมาช้านานแล้วสมองส่วนเหตุผลที่ตามมาทีหลังที่สมองส่วนเหตุผลเนี่ย ม, มันจะอยู่ตรงเนี้ยตรงสมองส่วนหน้าที่เราที่เราที่มันที่มันมนูออกมาเนี่ย <c oughs> เพราะว่ามันมันมันพอกมาทีหลังมันเติมมาทีหลังมนุษย์เราเนี่ยนะ เราจะมีเราจะมีสมองที่มันโน่นออกมานิดหน่อยไม่เหมือนลิงนะเพราะลิงเนี่ยหรือว่าสัตว์อื่นเนี่ยมันสมองส่วนหน้ามันน้อยนะแต่คนนี้เนี่ยในเรื่องอารมณ์เนี่ยนะมันถูกครอบถูกถูกกํากับด้วยระบบ limbic system ซึ่งมันอยู่ข้างในหรือว่าสมองส่วนอารมณ์ก็ได้นะซึ่งมันมันก็คุมมันก็มีมันมันคุมลมหายใจมันคคุมการหายใจคนที่ สมองตายแล้วเนี่ยแต่ทำไมยังหายใจได้ก็เพราะว่าไอ้ระบบ nervous system กับไอ้ก้านสมองเนี่ยนะมันยังทำงานยังไม่ตายและมันคุมระบบของร่างกายที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องใช้เจตนาหรือหรือความตั้งใจเช่นการหายใจการเต้นของหัวใจนะแต่ว่ามันไม่มีผลควบคุมต่อการหายใจเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อต่อหัวใจแล้วเท่านั้น การหายใจเราก็ส่งผลต่อระบบนี้ได้ดังนั้นถ้าเรารู้จักหายใจนะหายใจให้เป็นหายใจลึ ก, ล ก, ลกหายใจใยาวซึ่งโยคะเนี่ยหรือไทย e ก๊กเขาก็เขาก็สอนอย่างนี้แหละมันก็จะไปไปมีผลต่ออารมณ์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนที่กรดหรือเป็นคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมันจะช่วยคลี่ครายนะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองในเวลาหายเวลาโกรธเนี่ยลองกลับ เรากลับมาที่ลมหายใจตอนกลรธใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะลืมนะลืมเรื่องลมหายใจไปแต่พอเราทํำบ่อยๆเนี่ยเราจะเราจะกลับมาที่ลมหายใจได้ไวขึ้นแล้วพอเราอยู่กับลมหายใจได้สักห้าครั้งสิบครั้งเนี่ยความโกรธจะทุเราและต่อไปเนี่ยเราจะรู้ทันความโกรธได้เร็วขึ้นเรารู้ทันความโกรธตั้งแต่ ใ, ใจที่มันเริ่มหงุดหงิดนะคือความโกรธเมันมีมันมีมัมีขั้นตอนนะมัน จ, จะเริ่มต้นจากความไม่พอใจ ตอนแกใจกัเพิ่มก่อนเสร็จแล้วไม่พอใจพอไม่พอใจเสร็จก็มุดจิตพอไม่มุดนิตก็โกรธก่อนที่เราจะให้มันลุกลามไปเป็นความโกรธเนี่ยเราก็ให้รู้ทันตั้งแต่เนิ่นๆตอนที่มันยังเริ่มไม่พอใจตอนที่จิตมันเริ่มกระดิกเนี่ยที่มีสติไวเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้ทันจิตที่มันกระดิกมากขึ้นได้ไวขึ้นแล้วถ้าคุณรู้ทันเนี่ยมันก็จะไม่ลามมีความโกรธเหมือนกับไฟป่านะไฟป่าเนี่ยโหมัน มันอนุภาพมันรุนแรงมากนะแต่มันเริ่มต้นจากไม่ขีดขดดเดียวมันเริ่มจากเริ่มต้นจะประกายไฟประกายเดียวอ่ะไฟป่านี่นะมันเริ่มต้นจางไม่ขีดขีดเดียวไม่ไม่ขีดน่ะอันเดียวมันเริ่มต้นจะประกายแวบนิดเดียวเองนี่ถ้าเราเริ่ม ต, ต้นที่จะเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมหรือว่ารับมือตั้งแต่ต้นมือเนี่ยก็คือว่าตอนที่มันเริ่มยังยังไม่ใหม่ๆยังไม่แรงเราไปตัดตอนนั้นเนี่ยมันง่าย ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่มีสติเราปล่อยให้มันลามจนทังการไฟลามทุ่งไปแล้วไฟไหม้ป่าไปแล้ว <S <S ตรงนั้นเนี่ยก็จะห้ามเดอยา์ก็ต้องระบายออกด้วยการทำลายเข้าของถึงจะหยุดได้ให้สติสำคัญนะฝึกสติเอาไว้นะให้รู้ทันบ่อยๆให้รู้ทันไวๆมันจะช่วยทำให้ความโกรธทุราลงหรือมันจะทำให้ความเรื่อยความหมึดเนี่ยไม่ลามมีความโกรธ มีนะฮะมีคำถามสําหรับเด็กออทิสติกซึ่งพื้นฐานของความผิดปกติคือเด็กมักแยกตัวจากสังคมมีปัญหาในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นนอกจมีปัญหาทักษะในการเข้าสังคมเด็กออทิสติกบางคนวิชาการเก่งมากแต่จะมีอ q ที่ไม่ดีเนื่องมาจากความผิดปกติของตัวโรคเองขอว่าอาจารย์ช่วยชีแ้แนะแนวทางในการช่วยพัฒนาอ q ของเด็กกลุ่มนี้ด้วย อาตอมาก็มีความรู้น้อยนะเกี่ยวเรื่องเด็กอ q เนี่ยนะแต่เท่าที่รู้มาคือเด็กอ q ก็มีหลายหลายระดับนะตั้งแต่ระดับระดับแบบไม่ซับซ้อนหรือระดับเบาๆจนระดับมากอย่างมีคนก็พูดว่าเนี่ยซักกระเบิร์กก็ดีหรือว่าบิลเกย์ก็ดีเนี่ยก็เป็นออทิสติกเล็กๆนะออทิสติกน้อยๆ เ, ยเรื่องเอ็กซ์เอสเอสเบอร์เอร์มันมีหลายระดับ นี่ถ้าระดับมาก ๆ, ๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประเภทว่าไม่ค่อยเข้าสังคมนะแต่ต่อมาว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยเขาได้คือว่าการที่เราซึ่งเป็นคนแวดล้อมัขาเนี่ยนะเราต้องมีความใจเย็นแล้วเราต้องมีอีคินะหมายถึงว่าเรามีความสงบเย็นเรามีความใจกว้างเรามีความเมตตากรุณาของแบบนี้เนี่ยมาซึมซับได้นะมาเรียนรู้ได้ ถ้าเดวพ่อแม่ครอบครัวที่แวดล้อมเขาเนี่ยนะมีความสงบเย็นแล้วก็มีความเมตตากรุณามีความอดกลั้นเนี่ยเขาจะค่อยๆเรียนรู้นะจากเรานะเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติผ่านการสังเกตยังนหนึ่งที่อาจมาคิดว่าน่าจะช่วยได้แต่ไม่ทราบว่าได้มีการทดลองทำกับเด็กเด็ก เ, เด็กอีกเด็กที่มีปัญหาทางออทิสติกหรือเปล่านะก็คือการพยายามทําจะให้เขานี่ได้ ขขนะกลับมารับรู้ความรู้สึก ข, ของตัวเองกลับมารับรู้ความรู้สึกของตัวเองอยู่บ่อยๆมันเคยมีมีบางโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเนี่ยสอนให้เด็กเนี่ยกลับมารับรู้ความรู้สึกของตัวเองด้วยการที่ให้เด็กเนี่ยหยิบการ <c oughs> เด็กอนุบาลนี่นะหยิบการกาดนี่ ก, นก็เป็นตัวอีโมจินะแต่ละใบแต่ละใบาบางตัวก็เป็นอีโมจิ ที่บ่งบอกถึงความดีใจบางตัวก็เสียใจบางตัวก็เศร้าใจบางตัวก็เหงานะเวลาเด็กมาที่เวลาพ่อผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กมาที่โรงเรียนเนี่ยครูก็จะให้เด็กเนี่ยลองหยิบว่าการ์ดใบไหนที่มันแสดงหรือสะท้อนความรู้สึกของตัวเองได้ดีที่สุดเด็กบางคนเนี่ยก็คิดถึงแม่ <S <S เด็กบางคนก็อยากกลับบ้านเด็กบางคนก็ร้องไห้เด็กบางคนก็ ดีใจเนี่ยเด็กเนี่ยเขาก็หยิบการ์ดนะบานที่ครูก็ต้องช่วยให้เขาหยิบเนี่ยการ์ที่คิดว่ามาสะท้อนความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้นได้ดีที่สุดวิธีนี้มันทำให้เด็กเนี่ยได้กลับมารู้ทานจิตใจของตัวนะได้ดีขึ้นนะอัตมาเชื่อว่าเด็กที่มีปัญหาอย่างเด็กออทิสติกเนี่ยสามารถจะฝึกตรงนี้ได้นะ ให้เขามารับรู้อารมณ์ของตัวสามารถจะอิดเติฟายอารมณ์ของตัวให้ถูกว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอะไรอยู่ทำตั <S <S ้งแต่เล็กหรือทำแล้กรตอนโตก็ได้ถามเดี๋ ว, ว่าเด็กตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะอาจจะเป็นการยากสำหรับครั้ในการที่บอกตัวเองตอนนี้รู้สึกอย่างไรนะโดยเพราะถ้าเป็นเด็กที่โตแล้วแต่ว่ า, าตามาว่ายังไม่เหลือที่ใส่และต่อไปนี้ก็ให้เด็กไปรับรู้ความรู้สึกขององือ่เช่นอาจจะให้เด็กดูภาพเด็กดูหน้าตาเนี่ยเด็กดูภาพ ภาพหน้าของคนที่มีหลายอารมณ์เนี่ยแล้วก็ถามเด็กว่าเนี่ยตอนนี้ภาพ น, นี้มันบอกความรู้สึกอะไรเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยใหม่ๆจะไม่รู้นะฮะเด็กจะไม่รู้นะแต่ว่าสอนได้พวุนี้สอนได้ใหม่ๆเขาจะใช้วิธีการจำนะแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะรับรู้ความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างเขาได้นะ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของโซเชียลสกิลนะโซเชียลสกิลคือว่าการมีทักษะลาสงสงขอคุณต้องรู้ว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยเนี่ยเขาตอนนี้เขารู้สึกอะไรอยู่อาจจะรู้จากสีหน้าอาจจะฟังจากน้ำเสียงมันมีคำกล่าวมันมีมนมคนพูดบอกว่าเนี่ยข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เราได้จากคำพูดเนี่ยข้อมูลที่เราได้จากคาพูดเนี่ยมันมีแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต สี่สิบเปอร์เซ็นเี่ยมาจากน้ำเสียงที่เหลือมาจากอากัปกิริยา เ, ยเช่นบอกว่าสบายมากนี่แสดงว่าอะไรน้ำเสียงมับอกว่าเอ๊ะคำพูดบอกว่าสบายใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคือว่าอะไรดูจากน้ำเสียงแล้วปฏิกจากอากัปกิริยาก็รู้ว่าคนพูดเนี่ยไม่สบายใช่ไหมเด็กเนี่ยเด็กที่เป็นออกซิติกก็ต้อ ง, องควจะเก็ตตรงนี้ให้ได้ว่าเนี่ยเขาหมายถึงอะไร เ, เด็กเ อ, อาที่เสื่ออาจจะอาจจะเน้นอาจจะอาจจะเก่งในเรื่องของการรับฟังคําพูดว่าพูดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแต่เขาต้องสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เรื่อเป็นรับรู้ถึงสิ่งเรืร่องอวัจนภาษาอวาัจนภษ า, านภษาคือว่าน้ําเสียงและกับปริยาติอัมาคิดว่าสอนได้นะฮะเพราะว่า EQ เนี่ยอย่างที่อัตมาว่าเนี่ยมันคำว่า EQ เนี่ยมันหมายถึงว่า1เนี่ยคุณสามารถที่จะบอกอารมณ์ของ ออบอกอารมณ์ความสุขของคุณได้ออเด i f y ฟายว่าคืออะไรใช่ไหมอย่างแรกเลยคือต้องบอกอารมณ์ความสูขขอ ง, งตัวเองได้ 2. รับรู้ถึงอารมณ์หรือสามารถบอกอารมณ์ความสุขของคนอื่นได้3รู้ว่าอารมณ์ตัวนี้มันมาจากอะไรเกิดจากอะไร 4. รู้ว่าจะรับมือจัดการกับอารมณ์ของตัวอย่างอไรแล้ว5สามารถที่จะจัดการ กับอารมณ์ของคนอื่นได้ถ่งเขากำลังโกรธมาเนี่ยนะเ ร, เราจะทำไงเขาสงบเย็นอันนี้ เ, นเลือก EQ นะนั้นสิ่งที่ว่าเาแนนำเนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งข้อสอ ง, อสองเนี่ยตัวหนึ่งเราช่วยทำให้เขาอ d e n t i f y อารมณ์ของตัวเองได้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่สองคนอื่นเขารู้สึกอย่างไรนะใช้เวลานะฮะแต่ว่าเขาก็น่าจะเรียนรู้ได้และต่อไปเนี่ยขั้นที่สามขั้นที่สี่เนี่ยขเขาก็จะ เขาก็จะสามารถจะเรียนรู้ได้มากขึ้นนะเด็กนี่เขามีความเด็กทักท่วๆไปเนีจะมาว่าเขามีความรู้ความรู้อารมณ์ได้ดีนะอาจารย์ประสงค์ป ร, ริบุญโนเคยเล่าใหฟังว่าเคยไปโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะแล้วก็ไปเจอเด็กคนหนึ่ผู้หญิงยี่สิแปดขวบเด็กคนนี้พูดจาดูคล่องแคล่วแล้วก็เป็นคนฉลาด พูดจบคุยจบอาจารย์ประสงค์เขบอกว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กฉลาดหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูนะเสร็จแล้วท่านก็ดึงรูปประคัมขึ้นมาจันยา้างออกมาจัยานย้างเด็กก็เห็นเด็กก็ร้องอูู้อาจารย์ประสงค์ท่านก็วายท่้นก็ถามว่าเนี่ยหนูร้องอูู้หนูเห็นอะไรเด็กตอบว่าไงเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจคนระับคอสังเกต น, นะเ ด, เด็กไม่ตอบว่าเด็กไม่ตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจ ต่างกันมากระหว่างหนูดีใจกับดูเห็นข้างในมันดีใจใช่ไหมหนูดีใจคือว่าหนูเป็นผู้ดีใจนะแต่ว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจเนี่ยความดีใจกับหนูเนี่ยมันมันคนละอันกันมันมีระยะหา่างสติมันทําหน้าที่นี้แหละคือทําให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกนะไม่ไม่เนี่ยเวลาโกรธก็จะเออเราโกรธ รู้สึกว่าฉันโกรธรู้ว่าฉันโกรธรู้ว่าฉันกำลังดีใจนะต่อไปเนี่ย<ม>จะเห็นว่าเห็นความดีใจเกิดขึ้นในในใจให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจมันไม่ใช่ว่าฉันรู้สึกโกรธไม่ใช่ฉันรู้สึกเศร้านะแต่ว่าฉันเห็นความโกรธอยู่ในใจฉันเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจมันมีริยะห่าง อันแรเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าความโกรธเป็นฉันเป็นของฉันแต่ขั้นที่สอนี่คือเห็นว่าความโกรธนี่ไม่ใช่ฉันเด็กคนนี้แกเห็นท่านเนี้นะเห็นว่าหนูเห็นข้างใ น, นมันดีใจครับเดี๋ยวเลยตอบว่าหนูดีใจท่งนก็ถามต่อไปว่าแล้วท่นานแล้วหนูทำํำไงกับมันเดี๋ยวก็ตอบดีบอกว่าหนูไม่ได้อะไรกับมันครับหนูก็แค่ดูมาเฉยเฉตอนนี้ความโกรธไอตอนนี้ข้างข้างใ น, นมันเบาลงละความดีใจมันลดลงล โอ้นี่คือสิ่งที่หลวงพ่ออธรมานเนี่ยหรือหลวงพ่อเทียนหรือหลวงพ่อคำเกีต่านบอกเนี่ยให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้เฉยๆคืออ น, นี้ยซึ่งอมาใช้กับความโกรธก็ได้เนี่ยที่ที่มา่ิดถามเรื่องความโกรธเนี่ยต่อไปถ้ามีสติจะเห็นความโกรธจะไม่ได้จะไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าฉันโกรธหรือว่ารู้ว่าฉันโกรธแต่เห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นในใจฉันตรงนี้มันเกิดสเปซขึ้นมาแล้วระหว่างความโกรธกับตัวฉัน คนที่บอกว่ารู้สึกโกรธเนี่ยจนร้อนไปทั้งตัวเนี่ยเหมือนกับมีกองไฟอยู่นะกองไฟนั้นชื่อว่าความโกรธและตัวเองไปอยู่ในกองไฟนั้นร้อนไหมร้อนแต่ถ้ากองไฟยังอยู่แต่ว่าเราออกมาจากกองไฟนั้นมายืนอยู่ห่างๆเนี่ยร้อนไหมก็ร้อนแต่นิดหน่อยแล้วยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่ก็ไม่ร้อนเลยกองไฟยังมีอยู่นะแต่ว่าเราไม่ร้อนแล้ว รู้สึกว่าโกรธกับเห็นความโกรธมันต่างกันนี้รู้สึกว่าโกรธคือว่าอ ย, าอย่อยู่ในงอยู่ในอยู่ในกองไฟเห็นความโกรธอยู่นะปล่อยให้มันเผาลนใจแต่เห็นความโกรธคือว่าออกมาจากความโกรธมาดูมันข่างนะอันนี้ก็อาจาย์มาคิดว่าเด็กออทิสติกเนี่ยคงสามารถจะทำนี้ได้และต่อไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมันมีอารมณ์ที่เป็นกุศลมากขึ้นเช่นเมตตากรุณา พยายามปลูกให้เบียดลมใช่การชวนเข้าไปเลี้ยงสัตว์ทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะอธตรมว่าช่วยได้นะปลูกให้เขามีแม่ตากรุณาการอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะมันก็ช่วยทําให้มีความรู้สึกนี้ได้ช่วยให้เขาเนี่ยชวนเขานะให้อาหารสัตว์ปลูกต้นไม้ช่วยเขารดน้ําต้นไม้ ชวนเขาทำงานศิละปะนะอันนี้เป็นวิธีการที่จะปลุกไอ้ตัวตัวความรู้สึกฝ่ายฝ่ายกุศลขึ้นมานะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยมี EQ อีกระดับหนึ่ง น, นะเพราะว่าถ้าเขามีความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันช่วยเขาได้เยอะเลยนะความเมตตา ก, กรุณานะความเอื้อฟื้อเผื่อแผ่อนะาจจะไม่ทราบว่าเพลง หรือว่าศิละปะจะมีผลต่อเด็กออทิสติกขนาดไหนแต่ถ้าระดับพื้นๆเนี่ยทำมาว่าช่วยได้นะจริงๆดี่าว่าแต่อะไรเลยนะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์ที่ไม่รู้อะไรแล้วเนี่ยเลือกสมองส่วนเหตุผลหรือสมองส่วนความจํำมันเสียไปหมดแล้วไม่สามารถจะคิดในเชิงตรรากะาได้มันมีแต่สมองส่วนลิมบิบสมองส่วนอารมณ์ล้วนๆเนี่ยคนอัลไซเมอร์นะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้และต่อไป พ่อแม่แลราก็จะเริ่มทยอยกันเป็นตอนนี้พ่อแม่เพื่อนสอมาช่านี้เป็นกันหลายคนมากเครียดกันมากและต่อไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่มากก็ น, น้อยคนที่ออทิสติกหลายคนเนี่ยนะเขาลืมพุกอย่างคขาลืมลูกเขาลืมเมียเ้าลืมผัวแต่เขามีความสุขเวลาอยู่กับแมว มันมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งดีมากมนะันชื่อออสการ์ออสการ์แมวไม่ธรรมดาแมวแมวไม่ธรรมดามีแปลเป็นไทยแล้วเขียนดีมากแปลกับแปลดีเป็นเรื่องของแมวเนี่ยซึ่งไปอยู่ในบ้านข้าวคนชราซึ่งเต็มไปด้วยโรคความจาเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์ออสการ์ Oscar, นี่มันเวลาเวลาเวลาไข่ใกล้จะตายออสการ์ Oscar, จะรู้บางทีหมอเถียงออสการ์เฮ้ยจะรู้ดีกว่าฉันได้ยังไงแต่สุดท้ายออสการ์รู้ดีกว่าหมอนะเมื่อจะตายเนี่ย ออสการ์ <Oscar S 2> <c oughs> จะไปอยู่ข้างเตียงแล้วคนที่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี้ย <c oughs> เวลาอยู่กับแมวเนี้ยนะก็จะมีความสุขนิ่งมีบางคนเนี้ยไม่รู้อะไรเลยนะแต่พอฟังฟังเพลงนะสงบฟังเพลงก็สงบนะคืออนามารังเนี่บอกว่าคนเรานี่นะถึงแม้ว่าะจะมีความบกพร่องนะในทางสมองเนี้ย แต่ว่าในส่วนลึกเนี่ยยังสามารถที่จะเซนอะไรบางอย่างได้แต่ออเทสติกเนี่ยดีกว่าอาซายเมอร์เยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเชื่อว่าก็ยังมีศักยภาพภายในยที่สามารถที่จะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้เรื่องดนตรีเรื่องสัตว์เรื่องอะไรพวกนี้นะแล้วเดี๋ยวนี้เทรพีเนี่ยเอามาใช้เยอะมากนะเด็กขี่ขี้กลัวเนี่ยนะเด็กบงนีเป็นเด็กคนหี่ขี้กลัวมากลงเเวงตลอดเวลาวิตกต้องบนอยู่เสมอก็จะไป ไปที่คลินิกแห่งหนึ่งคลินิกเนี่ยมีหมาตัวหนึ่งนะหมานี่มันทุกหมานี่มันไวมากเลยนะเวลาเด็กเนี่ยเริ่มจะเหม่อลอยนะเริ่มจะวิตกนะหมามันจะรู้นะหมามรู้จักสีหน้าท่าทางอากับกิริยาแววตามันไวมากเลยนะแล้วหมามก็จะเปลี่ยนเป็นความสนใจนะเพื่อทำให้เด็กเนี่ยหายกลัวหายฟุ้งซ่านกลับมาสู่เรื่องเดิมกลับมาคุยกับเจ้าของหมาคุยไปสักพักเดี๋ยวกลัวอีกแล้ว มาเขจะพยายามเรียกกลับมาดึงกลับมาเพราะว่าความกลัวของเด็กคนนี้เนี่ยความกลัวแบบโฟเบียมากๆเนี่ยลดลงไปเยอะเลยท่า น, นมาคิดว่าลองนะลองให้พวกลองเอาเอาเรื่องราวนี้นะมามาให้เด็กเข้าได้รับรู้ EQ แลวมาเชื่อว่าควจะช่วยไดไม้มากก็นอนแต่ทั้งหมดทั้งปวก็ต้องถามผู้รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้รู้ด้านนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นในเมืองไทยนะ ตวามสงควรเกียวบเวลานะ